ต่อจากคำว่าขันหอีกเนะเออมันจะมีสองส่วนนะขันห้าและอุปาทานขันหมันมีสองอย่างเออในสองอย่างเนี่ยในส่วนของขันห้าที่เรียกว่าทุกนะและในส่วนของอุปาทานนะขันทั้งห้าซึ่งเป็น ทุกขสมุทัยด้วยเหตุให้เกิดทุกในอริยสัจข้อที่หนึ่งตอนที่พระเจ้าทรงแสดงความหมายหรือจำกัดความของคำว่าทุกข์ก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่มองเห็นได้ง่ายแล้วก็อยู่ในสา ม, มัญในชีวิตของบุคคลก็คือแสดงว่าเป็นเป็นความทุกข์เนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างในตอนท้ายพระองค์ก็สรุปตัดตั ด, ตดลงเป็นด้วยอุปาทานขันธ์หเป็นทุกข์ยกตัวอย่างอย่า ง, างนี้ ภิกษุทั้งหลายนี้คือทุกขะอริยสัจความเกิดเป็นทุกข์ไอความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้เป็นการยกยกตัวอย่างถึงตัวตัวขันห้า ตรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันเป็นตัวทุกข์สรุปก็คือว่าอุปาทานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์อันนี้บ่งบอกเลยนะว่าตัวขันห้ากับตัวที่เป็นตัวอุปาทานขันห้าหรือตัวชีวิตเนี่ยแล้วกับชีวิตที่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาก็คือตัวเหตุด้วยตัวอุปาทานเนี่ยตัวความไปยึด ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเหล่าเนี้ยพุทธพจน์เนี้ยนอกจากแสดงฐานะของขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารตามพุทธพจน์แล้วเนี่ยยังมีข้อสังเกตสําคัญก็คือความหมายของทุกนั้นเนี่ยจำง่ายๆก็คือโดยสรุปสั้นๆที่ว่าอุปาทานขันห้าหรือเบญจอุปาทานขันเท่านั้นและคําว่าขันในที่นี้มีอุปาทานขันนําหน้ากํากับไว้ด้วยแต่รละอยากเนยนะ มันก็เลยมือต้องศึกษาทําความเข้าใจคําว่าขันกับคําว่าอุปาทานขันถ้าพิจารณาอย่างนี้นะจะเห็นได้ชัดก็คือว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงขันห้าและอุปาทานขันห้าแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังขันห้าเป็นอย่างไรบอกรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคต ปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามซามก็ตามประนีตก็ตามไกลก็ตามใกล้ก็ตา ม, ตา ม, ตามเหล่านี้เรียกว่าขันห้าอันนี้บ่งบอกไปตัวรูปประคันเวทนาสัญญาสังขาร ญ, ญานก็เจาะไปว่าจริงๆต้องแยกขันที่เป็นอดีตไปหอนผ่านมาแล้วขันที่เป็นปัจจุบันที่กำลังเป็นไปอยู่อนาคตจะเกิดเนี่ยนะ ภายในหมายถึงขันของตนเองภายนอกหมายถึงกระแสชีวิตของบุคคลอื่นหยาบละเอียดเนี่ยนะอันนั้นก็ว่าโดยขันของบุคคลต่างๆทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นเทวดาแล้วว่ากันไปใกล้ๆอุปาทานขันทั้ง5เป็นไงรูปเวราณาสัญญาสงสารวิญญาณอันใดอันหนึ่ง เหมือนกันนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบละเอียดก็ตามสามก็ตามประณีตก็ตามไกลก็ตามใกล้ก็ตามประกอบไปด้วยอาสวะประกอบไปด้วยอาสวะก็ไปว่ามีกิเลสและเนี่ยอันนี้เป็นอุปาทานขาคารสาสวะเป็นอารมณ์ด้วยเป็นที่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นที่ตั้งของอุปาทานอุปาทานิยะอันนี้เรียกอุปาทานอาคาร5้าอุปอมองอย่างนี้ถามว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและตัวอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือทรมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานชันทราคะความชอบใจจนติดหรือความอยากอ ย, ากอย่างแรงจนยึดติดอยากในตัวนี้ก็คือทั้งตัณหาด้วยทิฏฐีด้วยมานะด้วยเนี่ยไปยึดในรูปนะ ไปยึดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคืออุปอาทานะขันในสิ่งนั้นๆ น, นลหลักกล่าวนี่เป็นพื้นฐานความเข้าใจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาพุทธพจน์สรุป ก, ก็คือท่านแยกสองส่วนนะขันและอุปอาทานะขันเหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนขันขันคืออะไรอุปอาทานะขันคื อ, อ การไปยึดมันยึดอยู่สามตัวนะที่ท่านตัดแสดงในที่นี้ยึดด้วยตัณหายึดด้วยมานะแล้วก็ยึดโดยทิฏฐิถ้ายึดด้วยตัณหามันคือความติดใจฝ่ายกัศน์คือความประชอบนะถ้ายึดด้วยมานะก็คือการยกตนชูตนเรียบเที่ยตนนี้เป็นมานะยึดด้วยทิฏฐิคือความไปสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมไอ้สามตัวนี้อะไรที่เขาไปยึดท่านมาแปลคําว่าความชอบ จนติดหรือความอยากอย่างแรงจนยึดติดใช่จริงมันมีทั้งตันหาความทะยานอยากมาหน้าความยกตนแล้วก็ทิ่มิคือความเห็นผิดไอ้สตัวนี่แหละเข้าไปยึดพอเข้าไปยึดขึ้นมามันก็กลายเป็นอุปาทานขันขันขึ้นมาอีกเลยไอ้ขันห้าธรรมดาของบุคคลที่ไม่มีกิเลสอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านมีขันห้าอย่างเดียวแต่ท่านไม่มีอุปาทานขันเพราะท่านไม่ยึด ไม่มีตัณหาไม่มีอาสวะไม่มีาศาสวะในการที่จะเข้าไปยึดติดแต่ยังเราเราท่านท่านทั้งหลายที่ยังไม่สามารถละหรือพัฒนาปัญญาจนสามารถชำระตัณหามนาทิถีได้เนี่ก็เรียบร้อยเลยที่บอกไปเห็นโดยความเป็นนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาตัวตนของเรานั่นนั่นเรานั่นเป็นเรานั่นของเรานั่น นั่นเป็นนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตานั่นเราเป็นตัณหานั่นเป็นเรานีเป็นมานะนั่นเป็นอัตตาของเรานะเป็นทิ่ทีใช่ไหมไอ้สามตัวนี่มันไปยึดงี้แหละไปยึดมันก็เลยเห็นรูปขันโดยความเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราแม้เวทนาสัญญาสังขารก็ตามยึดแบบนี้แหละ ทีนี้มนุษย์เนี่ยมีความโน้มเอียงที่จะยึดถืออยู่เสมอว่าตัวตนที่แท้ของตนนั้นมีอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งบางคนก็ไปยึดเอารูปว่าเป็นตัวเป็นตนบางคนก็ไปยึดเอาจิตตัวเป็นตัวเป็นตนบางก็ไปยึดเอาสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนอยู่ต่างหากแฝงซ้อนอยู่ในจิตนั้นซึ่งก็เป็นเจ้าของและเป็นตัวการที่คอยควบคุมบังคับบังชาบังคับกายบังใจบังอีกชั้นหนึ่ง ฉะนั้นการแสดงขันห้านี้ก็มุ่งเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เอยบุคคลเอยตัวตนเป็นต้นเนี่ยถ้าไปแยกออกแล้วก็จะพบส่วนประกอบของขันห้าก็คือไปพบรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันใช่ไหมมันไม่มีสิ่งอื่นที่เหลืออยู่ที่จะมาเป็นตัวตนต่างหากได้แม้ขันห้าเหล่านั้นแต่ละอย่างก็มีอยู่เพียงรูปและความสัมพันธ์อาศัยกัน ไม่เป็นอิสระไม่มีโดยตัวของมันเองดังนั้นขันห้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเช่นกั น, น, นพอไปแยกแยะเห็นรายละเอียดงี้ปุ๊บมันก็ไม่สามารถก็จะเห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นได้รวมความก็คือว่าขันห้ามันแสดงมันแสดงตัวมันเองมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนไม่มีอัตาอยู่ในนั้นด้วยมันได้เห็นว่าชีวิตเป็นการประชุมของส่วนประกอบต่าง ชีวิตก็เป็นหน่วยรวมของส่วนประกอบเหล่าเนี้มันไม่ใช่ตัวตนส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นเองมันก็ไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านี้มันไม่มีพอแยกปุ๊บมันไม่เห็นมันไม่มีแล้วเมื่อมองเห็นเช่นนั้นแล้วก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนได้ความเป็นอนัตตานี้จะเห็นได้ชัดต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อกระบวนการของขันห้าในวงจรของปฏิสัมบาทนั้นมันที่จะกล่าวต่อไปมันจะเห็น เพราะเก่าองค์กรกระบวนการการทำงานเป็นอย่างไรของมันปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นกระบวนการการทำงานของขันห้าฉะนั้นขันห้าเนี่ยมันมีอยู่อย่างสัมพันธ์และอาศัยซึ่งกันและกันก็เมื่อเราไปพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บมันจะสามารถทำลายเนี่ยมันจะเกิดความหมินผิดหมายความว่าคนเราโดยส่วนใหญ่มันจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือบางทีก็เห็นว่าขาดสูญใช่ไม เห็นว่าเที่ยงก็เห็นว่าขาดศูนย์แต่พอไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นขันห้าแล้วเนี่ยไอ้ความเห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยไอ้พวกสัตสตาทิฏฐิมันจะหายไปมันจะไม่เห็นด้วยความเป็นขาดศูนย์เพราะจะเห็นกระบวนการเกิดดับสืบต่อและความเห็นผิดว่าเที่ยงที่เป็นสัตสตาทิฏฐิมันก็จะถูกทำลายเพราะไปแยกแยะส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างก็จะเห็นเป็นกระบวนการธรรมะเป็นกระแสของธรรมะที่มันไหลลื่นสืบต่อกันไป เมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่มีตัวตนและมีอยู่อย่างสัมพันธ์อาศัยกันและการเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจหลักกรรมะหลักของกรรมที่ถูกต้องว่าเป็นไปได้อย่างไรกระบวนการแห่งความสัมพันธ์และอาศัยกันเกิดขึ้นทั้งหลายก็มีคำอธิบายเนยชัดเจนเล ย, ดยเดยนีย้ยิ่งถ้าไปศึกษาหลักการของปฏิจจสมุปบาทจะจะเห็นกระบวนการของธรรมะในตรงนี้ก็เราก็เข้าไก้ศึกษากันไปเดี๋ยวก็จะเห็นกระบวนการของปฏิจจสมุป ปาธธรรมนะการเกิดขึ้นอาศัยกันของเหตุและผลสืบตับสืบกระตับสืบต่อกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งการมองสิ่งทั้งหลายโดยวิธีแยกแยะส่วนประกอบไปอย่างวิธีกันห้านี่เป็นการฝึกเป็นการฝึกคิดฝึกความคิดเป็นการสร้างนิสัยที่จะใช้ความคิดแบบวิเคราะห์เพื่อจะได้เห็นความจริงเนี่ยนะคือเมื่อประสบปลื้ เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆความคิดก็จะไม่หยุดจะเป็นคนที่ไม่มีความคิดตื้อตันนะจะเป็นคนที่หรือยึดเฉพาะรูปภายนอกไม่ใช่อย่างนั้นเลยบางทีเนี่ยเราทั้งหลายเวลาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นเพียงรูปภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกแค่นี้แต่เมื่อเราศึกษาเรื่องขัน5ได้ดีปุ๊บ มันจะไม่ติดตันอยู่แค่ตาของเจ้าบกลิ้นกายนี <S <S 2> <S 2> มันจะไม่ติดตันอยู่แค่ว่ามหาพุทธลูปและอุปาทายลูกคือปัทวีธาตุอาโปธาตเตโชธาตุวายโยธาตเป็นมหาพูดและอุปาทายลูกจากขปปัสสสะตัปปสสะคณะปปสสะชี่ยวขปปสสะแล้วก็จะมีรูปารมณ์สารอารมกัณฑามลมร์สารมโภธาพารมเนะนะครับแต่ข้าก็ไปศึกษาในเรื่องของชีวิตตรูปบ้างหัตยวตถุบ้างเห็นไหม อิทธิภาะวะปริสภ า, าะวะความเป็นหญิงความเป็นชายเห็นการเคลื่อนไหวก็เป็นกายวิญญาต์ว่าจีวิญญาติการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาและเจาะเข้าไปก็จะเห็นอุปัจยา เ, เห็นกรณีแห่งเกี่ยวในเรื่องของละหุตามุ่ตากรรมยต า, ญญ า, ตาความเบาวความอ่อนความครวญของสภาวะธรรมนี้ทําให้มนุษย์มีการขับเคลื่อนเยื้นเคลื่อนไหวและจะเห็นอุปัจยาสนยะะาันติชาลตานิตา การเกิดขึ้นเนี่ยนะส่วนของรูปธรรม ท, ทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราก็จะเห็นองค์ประกอบทีนี้มันเจาะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอความสําคัญว่าไอรูปธรรมเป็นสัตว์บุคคลมันก็จะหมดไปใช่ไหมจริงๆเวลาเราศึกษาอภิธรรมปุ๊บเนี่ยมันสามารถมองตรงนี้ได้ลึกขึ้นไหมหรือไม่ได้มองเลยอันนี้ฝึกนะนักเข้นักเข้ไปฝึกวิเคราะห์เจาะคิดแบบนี้นั่นนักเข้านักเข้มันจะได้เข้าใจอะไรเข้าใจคําว่าสัตว์บุคคลมันเป็นสมมุติยังไง ก็จะไปเห็นด้วยความเป็นอันนี้เจาะเป็นส่วนของรูปธรรมภายนอกนะีในด้านของรูปขันมันจะเห็นสภาวะธรรมล้วนๆของมันทีนี้เวลามองในลักษณะอย่างนี้เป็นการฝึกคิดด้วยก็คือเมื่อประสบหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆก็จะไม่หยุดจะไม่ตีบตันแล้และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะโดยส่วนมันจะไม่โดยบางคนก็จะยึดถือรูปลักษณ์ภายนอกอันนี้ไม่ เป็นการสร้างวิสัยชอบสอบสวนสืบค้นหาความจริงและสิ่งที่สําคัญก็คือทําให้รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะรวล้วนของมันหรือตามแบบสภาวะวิสัยของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเนี่ยนี่ผมมองเสืนอนี้ก็มองเสือนก็รูปธรรมบางทีมันเจาะเข้าไปถึง น, นามมาทำได้เลยแต่นี้เห็นคนนี่กําลังดีใจเสียใจยังไงเราก็จะเริ่มเจาะเข้าไปเห็นว่านามธรทำกำลังทํางานใช่ไหมเพราะรู ป, ปรขั้นก็ถึงเวทนาเขากําลังเกิดความสุข สุขหรือทุกข์หรือเฉยๆอ้าวเนี่ยในขณะเดียวกันก็จะมีเนี่ยสุขทุกข์เฉยๆไปเสร็จเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการของสัญญาขันที่มันเป็นการจําหมายทั้งหลายเห็นกระบวนการของสังขารละขันความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นดีใจเสียใจสติปัญญาเกิดขึ้นโลภเกิดหลงเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็กลุ่มวิญญาณละขันที่เป็นตัวประธานของนามธรรมทั้งหลายเป็นต้นตรงเนี้ย ก็จะเป็นเหตุทําให้เราสามารถที่จะไปเจาะลึกแล้วก็จะไปเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ทาให้รู้จักมองตามสภาวะล้วนๆของมันตามแบบสภาวะวิสัยริดมองเห็นสิ่งตั้งหลายตามที่มันเป็นไม่นำเอาปาทานเอาตัณหาเข้าไปจับอันเป็นเหตุให้มองเห็นตามที่อยากหรือไม่อยากให้มันเป็นอยากหรือไม่อยากให้มันเป็นเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าสกาวิสัย คุณค่าอย่างหลังเนี่ยนับว่าเป็นการเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการตามคําสอนของพระเจ้า ก, ก็คือตามหลักของการศึกษาขันให้ชัดคือการมองอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยการใช้ตัรหาอุปาทานแต่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปจัดการด้วยปัญญาโดยส่วนใหญ่เนี่ยการที่เราจะเห็นกระแสชีวิตทั้งรูปธรรมและนามธรรมได้เนี่ยมันเป็นเรื่องการมองเจาะลึกลเลยนะ เราศึกษามาในเรื่องของพระวิธรรมแล้วเนี่ยการมองสิ่งทั้งหลายเรายังโกรธขันฮะโกรธในส่วนของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ไหมมองเจาะอย่างนี้เห็นสภาวะธรรมล้วนๆได้ชัดขึ้นไหมความเห็นโดยความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายายายความเป็นเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยมันถ่ายถอนไปได้เยอะหม หรือว่าศึกษาแล้วแต่ในชีวิตจริงเราก็ยังอยู่แบบแบบเดิมๆหรือว่าความเข้าใจกระบวนการความเป็นไปของขันห้าของชีวิตของเราเนี่ยมันมีการเจาะลึกขึ้นเป็นยังไงเนี่ยหรือมันยังเป็นเหมือนเดิมๆอยู่เออต่อไปหัดนะวิธีการเราเป็นนักคิดอยู่แล้ว ฝึกคิดในเรื่องขัน5แยกองค์ประกอบส่วนประกอบนี่ชัดขึ้นแยกไปแยกมาจนสามารถมองเห็นโดยความเป็นกระแสของรูปธรรมกระแสของนามธรรมนะว่าใ ห, ให้มองไปขนาดนั้นได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์อันนี้เราก็จะสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าอย่างนั้นมันจะมีการเข้าถ้าเป็นอุปาทานเนี่ยมันจะการเข้าไปยึดถือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายบางครั้งเนี่ยการที่ มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นมันก็จะนำอตันหาปาทานเข้าไปปิดเข้าไปจับก็อันเป็นเหตุให้มองมองเห็นตามที่อยากให้มันเป็นมันเป็นการไม่ได้มองไปตามสภาวะวิสัยมันเป็นมองตามสกาววิสัยใช่ไหมคือวิสัยที่มันเป็นไปตามสภาวะของมันเนี่ย ว่าจริงๆสภาวธรรมไม่ได้มองไปตามสภาวธรรมแต่ไปมองตามสก่วิสัยมองไปตามอุปสรปรหาบาธานตามสัญชาตญาณที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งหลายเขามีเขาเป็นกันอยู่หนึ่งมันก็เลยกลายเป็นมองยึดถือยึดติดแล้วก็เลยต้องการจะไปคอนโทรหรือบังคับสิ่งทั้งหลายตามอยากให้มันเป็นยังไง ต้องการให้มันเป็นยังไงโอ้มันก็มีความยึดหยากทั้งหลายเลยเนี้ยใช้ตัณหาประทานเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากว่าสามารถแยกแยะได้ก็จะใช้ปัญญาเข้าไปจัดการสิ่งทั้งหลายได้ในคําสอนของพระเจ้าตามปกติท่านไม่แสดงขันห้าลำพังโดดเ ด, ดี่ยเพราะขันห้าเป็นแต่สภาวะที่ยกขึ้นเป็นตัวตัวตั้งสําหรับไว้พิจารณานะและการพิจารณานั้นก็เป็นไปตามแนวแห่งหลักธรรมะอย่างอื่นที่จะเป็นประเภทของกฎสําหรับมาจับ หรือมากําหนดว่าขันห้ารูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณมีสภาวะเป็นอย่างไรมีความเป็นอย่างไรเป็นต้นก็คือต้องแสดงโดยความสัมพันธ์กับหลักธรรมอื่นๆเช่นในหลักของอนิจจังเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็คือว่าจึงจะปรากฏคุณค่าในทางปฏิบัติโดยสมบูรณ์ดังนั้นจึงถ้าพูดถึงในเรื่องของขันห้าเนี่ยก็จะเห็นตามภาพพิธธรรมที่ไปศึกษาเนี่ยจะแยกส่วนของรูปธรรม ในส่วนของรูปธรรมเนี่ยเยอะเลยมหาพุทธรูปปัทวีธาตุธาตุดินใช่ไหมอาโปธาตุธาตุน้ําเตโชธาตุก็ธาตุไฟวาโยธาตุก็ธาตุลมในผมก็จะมีดินน้าไฟลมในขนก็มีดินน้าไฟลมในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดเนี่ยจะมีดินน้ำไฟลมเยอะมากนะเยอะมากก็คือดินน้าไฟลม แต่พอมาบัญญัติเป็นมขมผลเล็บฟันเป็นบัญญัติเป็นอันนั้นกับบัญญัติซ้อนขึ้นมาในปรมัตต์นั่นแหละก็เอาปรมัตต์อะไรมาบัญญัติพอมาบัญญัติผมผลเล็บฟันอย่างนี้เป็นพอ่อขมผลรูปกัะขนอันนี้พอ่อรูปกันขนนี้แม่รูปกันขนนี้เกินสามีรูปกันขนนี่เป็นภรรยารูปกระขนนี่เป็นลูกมาโอ้โหอีกเยอะแยะหมดเรปยึดยะย็ดลูปกระขนในส่วนของภายนอกนี่นะที่นี้ในส่วนของหมาพุทธลูปรูปใหญ่ไม่พอก็มีกลุ่มอุปาทายรูปรูปอาศัยด้วย มียี่สิบสี่โลก็มีมหาพุทธโลกสี่กับอุปาทายรูปยี่บสีก็จะมีจักรคุป萨ตาเนื้อภาษาตาโสตประสาทประสาทหูคานาประสาทประสาทจมูกชิวหาประสาทประสาทลิ้นเต็มหมดเลยแผ่นลิ้นกายะประสาทก็เพาประสาทกายเต็มแผ่นกายทั้งหมดเลยแล้วก็อะไรจักรโสตคานาชิวหากายะแล้วก็จะมีพวกรูปอารมณ์ใช่ไหมก็มีสีนี่ก็มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผลภพ เนี่ยก็จะมีอีกเยอะเลยเนี่ยนะครับแล้ว ก, ก็จะมีส่วนใน่ก็จะมีส่วนของหัตถะที่เป็นรูปหัวใจเป็นชีวิตต่างแตคือกลุ่มชีวิตตรูปทั้งหลายที่รักษาการรไปแฉลบเราเนี่ยแล้วก็มีอิทธิภาวะรูปที่สําเร็จความเป็นหญิงป ร, ระลสภาวะรูปที่สําเร็จความเป็นชายแล้วก็มีกายวิญญาติการเคลื่อนไหวกายว่าิญญาตการเคลื่อนไหวของวาจามันก็ใช่ไหม ก็มีละหุตามุทิตากรรมยถ า, ามีความเบาความอ่อนความควลวนมันก็จะมีอะแแสแปรกสายชีวิตยังมีชีวิตแล้วก็มีอุปจัยยะสันตถถิชาราตานิจตานี่ก็กลุ่มของอุปาทายรูปรูปอาศัยก็มีการเกิดนะการสืบต่ออุปจัยยะสันตติการสืบต่ออุปจัยยะสันตถถิชาราตาความแก่อณิจต า, าความดับแต่ละขณะมันจะมีการเกิดการสืบต่อการแก่แล้วก็แตกดับตลอดเวลาของมันเลย กลุ่มลูปธรรมา ท, ทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าเซลล์ใช่ไหมต่างๆเต็มไปหมดเลยแตกดับสืดต่อปุ๊บปุ๊บปุบปบปบตัวตายตัวแทนต่อดเวลาในกลุ่มของธรรมะเนี่ยพวกนี้เราก็ต้องไปศึกษาพอศึกษาอย่างนี้ปุ๊บเราจะเข้าใจไหมระดับสุดตะก็เริ่มเข้าใจมันก็มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นขึ้นมากขึ้นไม่ได้มองสิ่งทั้งหลายตามที่เรายึดอยากหรืออยากให้มันเป็นแล้วอย่างหนึ่งมันก็เลยจะไม่ไปมีอุปาตัญหาอุปาทาน เขาไปยึดมากเกินเกินไปเพราะปัญญามันมาทำกิจข้อมูลใหม่ๆที่เราศึกษามาก็ไปทํากิจเออมันเห็นแม่ปุ๊บไอความรู้สึกของรูปธรรมมันปรากฏบ้างไหมสลับซับซ้อนเลอสลับมาปัญญามาทํากิจบ้างไหมในขณะเดียวเกี่ยวข้องเห็นใช่ไหมมันไดเห็นว่าเออในขณะที่เราไปยึดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในความเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายไปยึตธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม หรือว่าไปสีกินรถโชาธาตั้งหลายลเรา น, นี่นี่ในส่วนของเวทนาอันนี้ส่วนของรูปธรรมเนี่ย น, นะที่มย่อๆเนี่ยส่วนของเวทนาก็อย่างที่บอกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขมาสุขเวทนานี่เวทนาแบ่งออกทั้งสามเวทนาสามเวทนาห้าไอ้ตรงนี้เราก็เรียนมาแล้วใช่ไหมสุขเวทนา กเวทนาทางกายหรือเวทนาทางใจทุกเวทนาทางกายทางใจก็มีอทุกขมสุกเวทนาก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือเบขาเวทนาอันนี้เป็นเวทนาสามเทเวทนาหก็แบ่งเป็นสุขทางกายทุกทางกายธมนัตทางใจสมนัตทางใจแล้วก็เบขาไปทางใจตัวเวทนาทั้งหลายก็เป็นเวทนาหมันเวทนาสเวทนาห้าเทเวทนา6ก็แบ่งไปตามทวารก็คือทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจ อันก็ว่ากันไปทีนี้ส่วนของสัญญาก็แบ่งเป็นหกรูปประสัญญาความจําหมายในรูปมีไหมจําว่าดําแดงเขียวขาวใช่ไหมจำในสีจําในรูปสัทธาสัญญาก็จําในเสียงเสียงหนักเสียงเบาเสียงแหลมเสียงทุ่มเนี่ยคันทัสสัญญาก็จําในกลิ่นกลิ่นหอมเป็นต้นเหม็นราษฎรสัญญาจําในรสเปรี้ยวหวานมันเค็มผョธพัสสัญญาจําใน หรือสัมผัสทางกายเช่นอ่อนแข็งหยาบละเอียดเย็นร้อนเป็นต้นธรรมสัญญาก็ความรู้อารมณ์ทางใจงามบ้างหน้าเกลียดบ้างเที่ยงไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นกลุ่มของสัญญาจริงไหมอันนี้เป็นนามธรรมานะเป็นนามธรรมาพวกเราก็อยู่กันเรื่องตรงนี้กันกลางเยอะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้เป็นอะไรสัญญาประเภทไหน เห็นปั๊บเป็นรูปอะจำจำไอ้สีใช่ไหมสีอะไรต่างๆเนี้ยจำมาเลยแล้วจะมีเสียงมาด้วยก็เป็นสัทธาสัญญา <laughs> จำในเสียงด้วยเนี้ยเนี่ยกลิ่นด้วยอันนี้เห็นไหมถ้ากรมของสังขารตามหลักพระวิธรรมก็แยกเลยอย่างว่าเวทนาขันออกสัญญาขันออกที่เหลืออยู่ห้าสิบก็เป็นสังขารละขันโอ้รายละเอียดเยอะเลยเดีเนี้ภาษาเวทนา เอาอเวทนาออกสัญญาออกเหลือผัสสะเจตนาเอากขตาชีวิตินทรีมนสิการวิตกวิจารอธิมโมกวิริยาปีติชนทะโอ้โห و, เยอะหมดเลยโมหังยนิกาเนอร์ตะปาอุทจะนี่อกุศลโลพาทิฏฐิมานะนี่อกุศลโทสายิสามัิยะกุกุจจะทีนมิทัวิจิกิจชาโอ้โห و, ไหลไปเลยนี่เป็นกลุ่มที่อกุศลหมดเลยที น, นี้ถ้ากลุ่มโสพณาก็มีพวกศรัทธา สติหต ร, ตรือัตตาอารมภาพโทสะตัตธรมชติตากายาปัตติจิตาปัตติกายาหูตาจิตาลหูตาไล่ไปตามลำดับนี่ือกลุ่มของสังขารลขันธ์ส่วนวิญญาณขันธ์ก็คือจักกุ ญ, ญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณทางตอยู่มเล่นกายใจรายละเอียดต่างๆเลยจริงๆแล้ ว, ลวลเวลามันเกิดมันก็ประกอบกันแต่พอแยกส่วนในการศึกษาอันนี้ก็คือแยกขันธ์ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือศึกษาเรื่องกายกับใจพอแยกองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ความเป็นสัตว์บุคคลหายไหม ไม่มีเหลือเนี่ยนะนี่เป็นต้นป่าว น, น, นี่พูดเรื่องขันท่าจบแล้วเลยย่ อ, ยอๆต่อไปที่พูดชีวิตอีกแล้วเนี้ยกระบวนการของชีวิตกับความหมายในความสัมพันธ์แล้วในเรื่องของอายตนะพอพูดถึงอายตนะที่พูดถึงแดนแล้วแดนเป่งการเชื่อมต่อหรือที่ต่อหรือแดนหมายถึงที่ต่อการที่เกิดความรู้แดนเชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือแหล่งที่มาของความรู้ แปลอย่างง่ายๆเขาบอกทางรับรู้มี6อย่างนะเรียกในภาษาไทยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเ อ, อชีวิตประกอบไปด้วยขนันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นการแบ่งซอยออกไปเป็นหน่วยย่อยๆมากมายแต่ในทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตทั่วๆไปเนี่ยมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนประกอบเหล่านี้โดยทั่วไปแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ส่วนประกอบหลายอย่างที่มีอยู่และทําหน้าที่ของมันเป็นไปโดยมนุษย์ที่ไม่รู้จัก หรือแม้รู้จักก็แทบจะไม่ได้นึกถึงเลยเช่นในด้านรูปรธรรมคืออวัยวะร่างกายเนี่ยทั้งหลายอย่างทําหน้าที่ของมันอยู่โดยที่มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของไม่รู้จักเราเคยรู้ไหมว่าจักรวิสัสดทําหน้าที่อะไรเซลตาศาสตร์คณนาศาสตร์จิวหาศาสตร์กายาศาสตรจักรุิสาสดคือความใสที่รับสีเราก็ไม่เคยรู้คณนาศาสตรทําหน้าที่เอจิวเอเสลตาศาสตร์ทำความใส่ที่สามารถรับเสียงคานาศาสตร์ความใสที่สามารถรับกลิ่น ชิวหาปราสาทความใส่ที่สามารถรับรสกายยะปราสาทความใส่ที่สามารถรับเย็นร้อนเราไม่เคยรู้เลยวไอตัวรูปธรรมเนี่ยมันทํางานเนีมันอยู่เห็นไหตัวจักรุโสตคานาชิวหากายะนี่ส่วนของรูปธรรมส่วนทั้งด้านใจที่รมานายยตนะหรือจิตเนี่ยมันก็เกิดดับสืบต่อแต่มันสามารถรับธรรมารมณ์ได้นะคิดนึกต่างๆมันไปกระทบอดีอ น, นาคตปัจจุบันรับทั้งบัญญัติปรมัตย์ยังไงเราเป็น เหมือนว่าชีวิตเนี้ยคล้ายๆว่าหลายๆคนบอกเราเนี่ยเป็นเจ้าของมันอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆเราไม่เคยรู้เลยในส่วนของรูปธรรมมันทําหน้าที่อะไรอยู่และนามธรรมามันกําลังทําหน้าที่อะไรอยู่เนี่ยเขาจึงบอกว่าไม่รู้จักชีวิตชีวิตคืออะไรมันไม่รู้แล้วก็เลยอยู่อย่างมึนๆงงๆอยู่อย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่อย่างหลงไปวันวัน เราเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอื่นไปหมดก็อาศัยไอ้องค่คาไปยบคืออายจนะคือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเอาไปเรียนรู้ต่างๆเรียนข้างนอกไปใหญ่โตมโหฬารเลยแต่ลืมรู้จักตัวมันเองน่าเศร้าใจไหมคือมันมันไปอยากรู้ข้างนอกเยอะไปหมดเลยอยากจะไปรู้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันเกิดขึ้นมาอย่างไงอยากไปรู้วิชาโหราศาสตร์วิชาดาราศาสตร์เจะเจ๊ไปรู้วิทยาศาสตร์ เอออยากจะไปรู้ประวัติศาสตร์อยากไปรู้นิติศาสตร์อยากจะไปรู้รัฐศาสตร์อยากจะไปรู้รัฐประศาสนศาสตร์ตรอะไรเงี้ยนะเอออยากจะไปรู้ชีววิทยารลุอะไรต่างๆไปหมดเลยเนะี่ยแต่เรารู้ไม่รู้จากว่าไอ้ตัวของเขาเองกําลังทําหน้าที่อะไรเช่นตัวจกักรวาสตร์มีอยู่จริงมันเป็นความใสที่เราสามารถรับสีกระบวนการอย่างการรับรับรับสีเป็น ขานาปสาทเป็นต้นชั่วหาประสาทกายยาปรสาทเนี่ยนะตลอดถึงมณนะมณะคือจิตใจมโนคือใ จ, ม, นโนโใจมันทํากิจยังไงทําหน้าที่ยังไงกระบวนการของชีวิตเนี่ยมันเกิดดับสืบต่ อ, อยังไงมันไม่รู้จกักหรือแม้รู้จักก็แทบจะไม่ได้นึกเลยเช่นอย่างที่บอกกันทางด้านรูปธรรมอวัยวะในร่างกายทั้งหลายมันทําหน้าที่ของมันอยู่โดยที่มนุษย์ไปบอกว่าตนเองเป็นเจ้าของก็ไม่รู้และไม่ได้ใส่ใจบางทีถึงจะรู้ จนบางคราวมันเกิดความวิปริตทําหน้าที่บกพร่องมนุษย์ก็จึงจะหันมาสนใจแม้องค์ประกอบต่างๆในกระบวนการของฝ่ายจิตไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าจะไม่รู้จักกันเลยนี่ก็เป็นการแทนการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆกระบวนการทํางานของร่างกายโดยมากก็แล้วก็ปล่อยให้ทางด้านของพวกแพทย์เอ่ยพวกนักชีววิทยา ส่วนมาวิเคราะห์ทางด้านจิตใจก็นักศึกษาอภิธรรมฝ่ายจิตวิทยาก็ไปศึกษากันไปแต่จริงๆแล้วก็ศึกษากันแค่ไหนก็ว่ากันเนี่ยแต่หลักการต่างๆตรงนเนี้นะเอาละไปไปมาเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปเจาะลึกกันในเรื่องนี้ให้รู้กันอย่างจริงๆจริงๆเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเอาละต่อมาในพูดถึงเรชีวิตนะความสัมพันธ์กับโลกก็แบ่งเป็นสองภาคเป็นกระบวนการนะ ภาคเป็นระบบการทํางานซึ่งอาศัยทางที่ชีวิตติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกเรียกว่าถาวทวาวรเป็นวดประตูเป็นดช่องทางก็เรียกนะภาครับรู้หรือภาคเสพสวยโลกอาศัยถาวรหนี่แหละพัฒนาถาวรถาวรตาทวาวรหูทวาวรจมูกทวาวรลิ้นถาวรกายถาวรใจอันนี้เขาเรียกว่ารับรู้และเสพสวยโลกซึ่งปรากฏแก่มนุษย์โดยลักษณะการต่างๆที่เรียกว่าอารมณ์หกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์และธรรมารมณ์เนาะ ด้านพาค ก, การรับรู้ตาทวารตาก็สื่อกับสีหรือรูปทวารหูก็สื่อกับเสียงใช่ไหมเชื่อมกันจะบอกว่าเป็นความใสที่สามารถรับเสียงชิวหาคณะทวารคณะประสาทก็ความใสที่สามารถรับกลิ่นชิวหาภาษาทวารกับชิวหาประสาทก็สามารถรับรส กายภา菩萨กายยทวารก็รับโพธิ ภ, ภ า, าเย็นลงมโนทวารคือใจก็รับธรรมอารมณ์นะสรุปแล้วหกทางใช่ไหมมันก็มีสองส่วนดังที่บอกในส่วนของการรับรู้และเสพเสวยโลกก็ไดส้สีเสียงกิริย์รสโพธิภาเนี่เรียกธรรมอารมณ์เลกบโลกอันนั้นเป็นอายตนาทวารอามาส่วนของอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าภาคของการแสดงออกหรือกระทําต่อโลก น, นี่ก็กรร ม, มทวาร ทวารในการทำกรรมก็คือทวารกายกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมกายทวารวจีทวารมโนทวานนี่เป็นการกระทําต่อโลกแสดงออกเป็นการกระทําเป็นการพูดเป็นการคิดภาษาพาก็เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสรุปแล้วก็เรามีสองทวานนี่แหละกรรมทวารอายตนะทวานกับกรรมทวานก็เป็นตัวกระทําและอายตนะทวานก็คือทวานในการที่จะไปรับรู้ มันก็จะเกิดขึ้นมาตลอดนะทางทวารตามันสื่อกอะไรทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจที่มันจะมีการสี่เสียงกินรสปวดทพลาพและทรอารมณ์นี่หทางนี่คือาอายตนาทวารเป็นการรับรู้การเรียกหรือเสพเสวยกับโลกภายนอกก็ได้มีตลอดไหมรับรู้ลตลอดไหมเสพเสวยโลกภายนอกตลอดเห็นตลอดได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสใช่ไหม ทำอารมคิดนึกตาหูจมูกเล่นกายใจกระบวนการต่างๆเหล่านี้เขาทํางานเขาตลอดไหมเนี่ยทําไม่ทำในชีวิตเป็นแบบเนี้ชีวิตคืออันนี้คืออาญตนาหกเลยส่วนกรรมัฒวาลทวารในการทํากรรมนะกายกรรมวจีกรร ม, มโนกรรมทีนี้ในภาคที่หนึ่งมีข้อที่จะพึงย้ำเป็นพิเศษสะดวกการศึกษาคือกรรมัฒวารทวารทั้งหกเนี่ยตาหูจมูกเล่นกายใจเมื่อกล่าวในระบบแห่งการทํางานของกระบวนการของชีวิต ท่านิยมเปลี่ยนใช้คำว่าไปใช้คำว่าอายตนะซึ่งแปลว่าแดนเชื่อมต่อให้เกิดความรู้อายตนะหรือทางรับรู้ในการศึกษาเรื่องนี้ต่อๆไปใช้คำว่าอายตนะแทนคำว่าถทวานนะนี่เป็นแดนเชื่อมต่อแล้วอายตนะก็เป็นการว่าเป็นแดนเชื่อมต่อ ตาเป็นแดนเชื่อมต่อกับสีหกกสูก็เป็นแดนเชื่อมต่อกับเสียงจมูกก็เป็นแดนเชื่อมต่อกับกลิ่นลิ้นก็เป็นแดนเชื่อมต่อกับรสกายก็เป็นแดนเชื่อมต่อของโภชภาใจก็เป็นแดนเชื่อมต่อกับธรมมารมณ์อารมณ์ที่มาปรากฏกับใจเนี่ยเป็นแดนเชื่อมต่อกันไปในภาคที่สองกระบวนการของชีวิตในภาคนี้รวมอยู่ในขนันที่4ี่เาเรียกว่าสังขารละขัน ไอตัวสังการละขันตัวนี้ก็แบ่งเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายชั่วฝ่ายฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายกลางกลงปรากฏออกเป็นภาคปฏิบัติโดยถูกเจตนาเจจนงจงใจนี่แหละเป็นหัวหน้าเป็นตัวแทนเลือกชักจูงมาหรือจัดแจงมอบหมายช่วยกันปรุงแต่งออกมาเป็นการกระทําทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเรียกว่ากรรมนกรรมมรานเนี่ยก็เลยเป็นการทาการพูดการคิด ในกรณีนี้สังขารก็จะถูกจัดประเภทให้สอดคล้องกับบทบาทในการโดยเบแบ่งไปตามต่างทวารต่างๆเขาเรียกว่ากายสังขารบ้างวจีสังขารบ้างแล้วก็จิตตสังขารหรือมโนสังขารหรือเรียกตามชื่อหัวหน้าเช่นกายสัญเจตนาวจีสัญเจตนามโนสัญเจตนาเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าพอแสดงออกมาก็เลยเรียกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม กายสังขารคืออะไรสภาพที่ปรุงแต่งการกระทําทางกายหรือพูดถึงในเรื่องของกายสังเจตนาการความจงใจแสดงออกมาทางกายกายเทวานก็คือทวานทางกายกายกรรมการกระทําทางกายนี่เป็นต้นวจีสังขารก็คือสภาพปรุงแต่งการกระทําทางวาจาถ้าพูดถึงในเรื่องของวจีสังเจตาก็ความจงใจแสดงออกมาทางวาจาวจีทวานก็คือทวารทางวาจาก็หละวจีกรรมการกระทากรรม ใช้คําพูดในการทํากรรมออกมาส่วนมโ น, โนสังขานก็คือสภาพปรุงแต่งการกระทําทางใจถ้าเป็นมโนสัญเจตนานเป็นความจงใจแสดงทางใจออกมาเลยมโนทวารก็ทวางทางใจไปมโนกรรมก็การการกระทํากรรมทางจิตใจสรุปก็คือว่ามองสันส้นๆหน่อยก็คือกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมนี่เป็นกรรมอวารทวารในการทํากรรมทําตลอดไหมคิดแล้วก็เคลื่อนไหวทำโน้นทํำนี้ขึ้นมาก็เป็นกายกรรม เป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้นะเป็นกุศลนกุศลวจีกรรมที่พูดกันตลอดในขณะที่พูดเนี่ยอันนี้เป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมธวานนะเป็นวจีกรรมใจกํากับในการทําให้พูดพวกเรานั่งอยู่เฉยๆคิดตามเป็นมโนกรรมเห็นไหมเห็นปุ๊บนี่ก็ทํากรรมกันอย่างนี้แหละนี่แหละตัวกดตัวสภาว่าไอ้นี้สังขารในฐานะเป็นเครื่องปรุงแต่งคุณภาพหรือคุณสมบัติต่างๆของใจ ได้กล่าวเลยในเรื่องของการน่าส่วนในสังขารในฐานะกระบวนการรวบรวมปรุงแต่งแสดงออกในการกระทําต่างๆต่อโลกเป็นเรื่องของกิจกรรมของชีวิตเนี่ยแสดงเป็นกิจพิเศษต่างๆในตอนว่าด้วยชีวิตเป็นอย่างไรในที่เนี้ยมุ่งแสดงถึงสภาวะอันเป็นเนื้อเป็นตัวชีวิตและองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้เรื่องอายตนะอันนั้นไว้ก่อนนี่พูดถึงเรื่องของกระบวนการของชีวิตแต่ยังไม่ไปเจาะถึงเออชีวิตเนี่ย ตอนนี้มันชีวิตคืออะไรอยู่ถ้าว่าชีวิตเป็นอย่างไรนะั้นค่อยไปพูดกันอีกทีในเรื่องกรรมการนำกรรมเอาอาญัตนะดังที่ได้กล่าวแบบแว่าแปลว่าที่ต่อต่อหรือใช่ไหมจากคุป萨ต่อกับอะไรต่อเอ้ยต่อกับเสียงต่อกับสีโสตประสาทต่อกับอะไรเสียงคานาประสาทต่อกับกลิ่นชิวหาประสาทต่อกับรสกายประสาท ต่อกับสัมผัสเย็นร้อนแล้วก็ใจก็ต่อกับทำอารมณ์ใช่ไหมเป็นที่ต่อก็หกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือเชื่อมต่อกับอะไรก็ตอบว่าเชื่อมต่อกับโลกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก แต่โลกนั้นปรากฏลักษณะอาการแก่มนุษย์เป็นส่วนๆด้านๆไปทั้งที่มนุษย์จะมีแดนหรือเครื่องมือรับรู้ก็คือเท่าจำนวนของอยายตนะ6ที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นดังนั้นอยนายตนะทั้ง6จึงมีจึงคู่มีคู่ของมันอยู่ทั้งที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้แหละในอัตถาก็จะไปแปลกันอีกอย่างสิ่งที่ถูกรับรู้หรือลักษณะการต่างๆของโลกเหล่านี้เรียกชื่อว่าอยายตนะเหมือนกันนะ มันจะมีตัวเพราะเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือเป็นแหล่งความรู้เช่นเดียวกันแต่เป็นฝ่ายภายนอกแยกประเภทการไม่ให้สับสนทั้งเรียกว่าอายตนะมันก็เลยมีอายตนะภายในและอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอายตนะภายในสีเสียงกลิ่นรสผลิภัและธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกก็เลยว่าเชื่อมต่อกับโลกภายนอก อายตนาภายในนี่อยู่ในกระแสชีวิตเราส่วนอายตนาภายนอกก็เป็นอยู่ภายนอกนัซึ่งเชื่อมเชื่อมต่อกันไปอายตนาภายนอกอันได้แก่สิิทธรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะและสิ่งที่นึกใจนึกคิดโดยทั่วไปนิยมก็เรียกว่าอารมณ์อารมณ์เป็นอันเป็นสิ่งที่สําหรับจิตหน่วงอยู่หรือสิ่งสําหรับยึดหน่วงของจิตก็แปลว่าสิ่งที่ถูกรับรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้เนี่ย นั้นอยายตนะภายในจึงเป็นแดนรับรู้กระทบกับอารมณ์อายตนะภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็จะเกิดความรู้จำเพาะด้านของอยายตนะแต่ละอย่างเช่นตากระทบกับรูปก็เกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่าเห็นหูกระทบกับเสียงเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่าได้ยินจมูกกระทบกับกลิ่นเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่ารู้กลิ่น <l ind> ลิ้นกระทบกับรสเกิดความรู้ขึ้น แตตัวรู้รสที่ต้องการเป็นตน้นอะไนี้ก็เรียกวิญญาณเนาะแปลรู้แจ้งบ้างรู้อารมณ์บ้างก็มีวิญญาณหเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เนี้ยเอาแต่นี้จกักรโหมายถึงตานะจกักุประศาส์เป็นแดนรับรู้รูปเกิดความรู้ก็เรียกจกักรวิญญาณคือเห็นโสตหูเนี่แหละเป็นแดนรับรู้สัทธะคือเสียงเกิดความรู้ก็เป็นโสวตวิญญาณก็ได้ยิน คานะคือจมูกเป็นดนรับรู้คันท่าคือกลิ่นเกิดความรู้ขึ้นเป็นคานวิญญาณได้กลิ่นชิวหาลิ้นเป็นแดนรับรู้รสเกิดความรู้ก็เป็นชิวหาวิญญาณคือรู้รสกายแดนรับรู้ผลัพพะสิ่งที่ต้องกายเกิดความรู้ขึ้นก็เป็นกายวิญญาณรู้สิ่งที่ต้องกาย มโนหรือใจเป็น่ารรับรู้ธรรมะเรื่องในใจเกิดความรู้ขึ้นเป็นมโนญาณรู้เรื่องในใจเอ้อ ต, ตรงเนี้ยนะแม้ว่าวิญญาณจะต้องอาศัยอาญตนะหรืออารมณ์กระทบกันยังจะเกิดขึ้นก็จริงแต่การที่อารมณ์เข้ามาปรากฏแก่อาญตนะไม่ใช่ว่าจะทำให้วิญญาณเกิดขึ้นได้เสมอจำต้องมีความใส่ใจมีความกาหนดในใจมีความใฝ่ ประกอบอยู่ด้วยวิญญาณนั้นยังจะเกิดขึ้นในบางคราวเช่นเวลาหลับหลับสนิทเวลาฟุ้งหรือใจลอยไปเสียเนี่ยเวลาใจไปจดจ่ออยู่กับกิดอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดจนขนาดอยู่ในสมาธิรูปและเสียงเป็นต้นอย่างที่ผ่านมันผ่านเข้ามาอยู่ในวิสัยที่จะเห็นจะได้ยินแต่ก็ไม่รู้นุ๊บางครั้งถ้าหากว่าการที่เราไม่ได้ใส่ใจอารมณ์นั้นมากระทบจริงแต่มันก็ไม่รู้หรอก มันมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างวิญญาณมันต้งจะเกิดในการเข้าไปรู้ได้เช่นเราเรานั่งอยู่ น, นี้จิตเราฟุ้งเป็นเรื่องอื่นเสียงก็มีอยู่กระทบกระทั่หูเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ยินนะไอจ้จักรวญญานก็ไม่ไอ้โสต ว, วิญญาณก็ไม่เกิดการนอนหลับเนี่ยมีเสียงมาเหมือนกันกระทบก็ก็ไม่เกิดก็ได้หรือคนที่อยู่ในสมาธิอย่างเงี้ยนะในรายละเอียดต่างๆตรงนั้นท่านท่านต้องการชี้เห็นว่าการจะรู้หรือวิญญาณจะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องมีการใส่ใจรับรู้ที่จะให้มันเกิดขึ้นด้วย นั้นการรับรู้จะเกิดก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบก็คือว่ามีอายตนะมีอารมณ์แล้วก็มีวิญญาณภาวะอย่างนี้ในภาษาธรรมะเรียกว่าโดยเฉพาะาผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลตามรูปสาวก็การกระทบแต่มีความหมายทางธรรมะคือการประจวบก็ได้การบรรจบก็ได้พร้อมกับแห่งอายตนะอารมณ์และวิญญาณถ้าพูดให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆก็ผัสสะก็คือการรับรู้นั่นเองผัสสะก็คือสัมผัส การรับรู้นี่แหละมีชื่อเรียกแยกแยะเป็นอย่างๆไปตามอาญตนะนั้นๆในจนํานวน6นี่นะจากขูดสัมผัสสะโสตสัมผัสสะคานะสัมผัสสะเชิวหาสัมผัสกายาสัมผัสมนโนสัมผัสก็ได้ผัสสะก็เป็นขั้นตอนสําคัญในกระบวนการอย่งการรับรู้นี่คือการกระทบนี่แหละหรือการสัมผัสหรือว่าการประจวบการบรรจบไม่พูดได้หลายอย่างนะ มีการประจวบมีการบรรจบกันขึ้นระหว่างอายตนะอารมณ์และข่วิญญาณอย่างนี้มันจะเป็นการรับรู้เกิดขึ้นมาได้เปน็นต้นนั้นกระบวนการแห่งธรรมะสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษในการศึกษาคือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามาเกิดขึ้นในลําดับต่อจากผัสสะความรู้สึกในภาษาธรรมะเรียกวิทนานะการสวยอารมณ์การเสพรสของอารมณ์การรู้สึกต่ออารมณ์ที่เข้ามานั้นบางครั้งก็เป็นสุขบ้างทุกเป็นสบายไป ถ้าไม่สบายก็เป็นทุกขหรือเฉยๆอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าก็เป็น3จนํานวน3อย่างสุขได้แก่สบายใจเชื่นใจถูกใจทุกก็ไม่สบายเจ็บปวดอทุทกขมสุขก็คือไม่สุขไม่ทุกเฉยๆเรียกว่าอุเบกขาถ้าพูด5ก็เป็นสุขสุขก็เป็นสบายกายทุกก็คือไม่สบายกายเจ็บปวดสองมณัตเป็นสบายใจเชื่นใจโทมณัตก็ไม่สบายใจเสียใจอุเบกขาอันนี้เป็นทางใจนะ เฉยๆไม่สุขและไม่ทุกข์นัเป็น5อัตถุกพูดถึงกระ บ, บวนการขาองอายตนะก็มีอยายตนะอารมณ์แล้วก็วิญญาณผัสสะแล้วก็เวทนาอยนายตนะก็คือทางรับรู้อารมณ์ก็สิ่งที่ถูกรู้วิญญาณก็ความรู้ผัสสะก็การรับรู้อีกเหมือนกันเวทนาความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นเนี่ยก็ทางเขียนเป็นตารางขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้อยายตนะอารมณ์วิญญาณผัสสะเวทนาว่าทีนี้อารมณ์เนี่ย ก็คือโลกที่มาปรากฏลักษณะการแก่มนุษย์อายตนาต่างๆการรับรู้อารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นที่ช่วยให้มนุษย์มีความสามารถในการที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกทําให้ชีวิตอยู่รอดและดําเนินไปได้ดีเนี่ยนะในกระบวนการการรับรู้เนี่ยเวทนาก็เป็นส่วนประกอบสําคัญอย่างหนึ่งโดยทําหน้าที่เป็นเครื่องชี้บอกให้ทราบว่าอะไรเป็นอันตรายแก่ชีวิตควรหลีกเว้นอะไรเกื้อกูลแก่ชีวิตควรถือเอาประโยชน์นะเวทนาก็จะช่วยเป็นกระบวนการในการรับรู้ในการดําเนินชีวิต มันก็จะสามารถทําว่าเออเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทั้งหลายถ้ามันจะเกิดทุกขเวทนาหรือเกิดสุขเวทนาหรือเกิดดุเบขาเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ไปไปมามันก็จริงจริงก็ทำให้เราได้เกิดความเข้าใจกับมันเช่นมีแมลงตัวหนึ่งมาจับมากัดเราเนี่ยนะมันกเกิดรู้สึกทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าจําสิ่งนี้ได้ว่าไอ้นี่แมลงตัวนี้อันตรายก็จะหลีกเลี่ยงหลบปลีกึ่ ง, กงมันก็เกิดความรู้ในการศึกษาอย่างนี้แหกระบวนการในการรับรู้ของกระบวนการของชีวิตทั้งหลายตัวเนี้ อะไรมันเกื้อกูลจะเป็นประโยชน์เวทนามันช่วยเป็นกระบวนการในการดําเนินต่อไปสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นได้ด้วยแต่สําหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยนะไอเวทนาที่ได้มีความหมายเพียงเท่านั้นนะีมันไม่ได้มีความหมายเพียงคือไม่ใช่ปีนเคียงว่าเป็นกระบวนการแห่งการรับรู้เนะี่ยถ้างั้นก็โอ้โหมนุษย์ก็ได้ศึกษาจากเวทนาเยอะเลยแต่โดยความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะปุถุชน ท่มืดบอดทั้งหลายเ่าเนี้ยส่วนเวทนาเป็นส่วนประกอบเข้ามาอย่างหนึ่งก็คือช่วยเสริมความรู้ให้สมบูรณ์และทำให้เกิดความสามารถมากขึ้นในการดำเนินชีวิตเองแต่เวทนาเนี่ยมันยังหมายถึงการที่โลกมีอะไรอย่างหนึ่งเป็นผลตอบแทนหรือเป็นรางวัลของเขาในการในการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นผลตอบแทนที่ว่านี้คือความอรอร่อยความชื่นใจที่เกิดจากอารมณ์ซี่เรียกว่าสุขเวทนา ทีนี้ในการในกระบวนการในกรณีที่กระบวนการในการรับรู้การดำเนินไปถึงเวทนาเนี่ยถ้ามนุษย์หันเข้ามาจับเวทนาไว้ตามความหมายในแง่เนี้ยไปไปมามนุษย์ก็จะหันเหออกไปจากกระบวนการในการรับรู้ทาให้เกิดอะไรกระบวนการธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมา เ, เข้ามารับช่วงแล่นต่อไปแทนที่จะแทนที่โดยเวทนาจะกลายเป็นปัจจัยต่อ ตัวเอกที่จะก่อให้เกิดผลสืบเนื่องต่อไปพร้อมกันนั้นกระบวนการในการรับรู้มันก็กลายเป็นส่วนประกอบในการดําเนินควบคู่ไปด้วยก็คือมันก็จะถูกกําลังจากกระบวนการธรรมะใหม่นี้ระบีบคั้นบิดเบือนแล้วก็เอียงไปจากความเป็นจริงนั้นกระบวนการธรรมะในรับช่วงนี้มันดําเนินไปแบบง่ายๆพื้นๆก็คือรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดความรู้สึกสุขสบายชื่นใจขึ้นมาสุขเวทนามันก็อยากได้พออยากได้ขึ้นมาเป็นตัณหาไหม ไม่อยากได้ก็ติดใจัวพันธุ์จนเกิดยึดติดถือมั่นเป็นอุปาทานค้างใจไม่อาจจะวางลงได้ทั้งที่ตามความเป็นจริงมันไม่อาจจะถือเอาไว้ได้เพราะสิ่งสิ่งนั้นมันล่วงเลยและผ่านพ้นไปหมดแล้วจากนั้นก็เกิดความคลุ่นคิดสร้างภาพต่างๆที่ตนเองที่จะให้ตนอยู่ในภาวะครอบครองอารมณ์นั้นให้เกิดสุขเวทนาพร้อมทั้งคิดปรุงแต่งสร้างวิธีการที่จะให้ได้อารมณ์และสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์นั้นแล้วก็ลงมือกระทํา การต่างๆทางกายบ้างวาจาบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ต้องการเพื่อได้เวทนาที่ชอบใจยิ่งๆิขึ้นไปอย่างนี้ในทางตนกลางข้างถ้าเกิดความรู้หรือการรับรู้อารมณ์ใดปุ๊บเกิดความสึกทุกข์เจ็บปวดไม่สบายเป็นทุกเวทนาก็ไม่ชอบใจขัดเครื่องอยากแก้พน้นให้มันสูญสิ้นไปอยากทำลายเป็นตันหาด้วยผูกใจปักใจค้างใจกับสิ่งนั้นเป็นอุปาทานในทางที่ร้ายเกิดความชิงชังเกลียดกลัวหลีกหนี อย่าให้มันพบเห็นมันอีกเป็นต้นพร้อมก็เกิดปฏิกิริยาให้ยิ่งยึดมั่นฝันหาผูกใจมั่นหมายที่จะให้พบให้ได้สุขเวทนาและสิ่งที่หวังจะให้สุขเวทนาแก่ตนยิ่งยิ่งขึ้นไปลักษณะอย่างเนี้ยในกระบวนการนี้มันก็บังเกิดเป็นสุขทุกขแบบซับซ้อนดุนแรงขึ้นเข้มข้นขึ้นก็เลยกลายเป็นผลเสกสรรของมนุษย์เองนั่นแหละหมุนเวียนเข้าสู่วงจ ร, ร, รที่เรียกวเวทนาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นสังสารวัตวนอยู่อย่างเนี้ยไม่สามารถจะกล้าไปสู่ ทางที่ดีงามผลที่เลิ่อเป็นต้นได้โดยในเนี้จะเห็นว่าช่วงต่อที่เป็นกระบวนการแห่งธรรมานการสืบต่อรับรู้จากภาษาเนี่ยต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่จะสําคัญอย่างยิ่งเรียกได้ว่าเป็นหัวเรียวหัวต่อก็ว่าได้ในภาวะเช่นนี้ยเวทนาเป็นองค์ธรรมที่มีบทบาทสําคัญนะเออตรงเนี้ยหลายๆคนถ้ามามองอย่างนี้ก็คือว่าจะได้เจาะ อ, อันนี้นี้ประการแรกอันนี้ก็ยกตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะในกระบวนการธรรมะที่สืบต่อจากภาษะ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างกระบวนการแห่งการรับรู้บริสุทธิ์กับกระบวนการรับรู้แห่งสังสารวัตในกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์ในเวทนาเป็นบทบาทเพียงองค์ประกอบย่อยๆอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ส่วนในกระบวนการแห่งสังสารวัตรเวทนาเป็นปัจจัยตัวเองที่มีอิทธิพลครอบงำในกระบวนการแห่งธรรมะทั้งหมดก็คือมนุษย์เนี่ยมันจะคิดปรุงแต่งอย่างไรและทําการอะไรเพราะไอ้เวทนานี่แหละ เพราะเวทนาหรือชีวิตจะเป็นอย่างไรก็เพราะเวทนาก็เพื่อเวทนาเนี่ยนอกจากนั้นแล้วในกระบวนการอย่างสังสารวัฏมนุษย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่รับรู้หรือรู้หรืออารมณ์ภัยทางทางโลกภายนอกแค่นั้นนะแต่มันก้าวต่อไปสู่ความเป็นผู้เสพเสวยโลกด้ว ย, ยตรงนี้ท่านต้องการชี้เห็นตรงเนี้ยพยายามอธิบายฟังก็คือจักขคูนะตาเนี่ยไอตัวจักรคประสาทไอตัวทางทวารตาก่อนมันก็รู้สี อาศัยตาและรูปเกิดจากขวัญญาในการประชุมกันต้องทำสามประการเหล่านี้อาศัยจากอายัญนาคือตาอายันะคือรูปคือสีอ่ะอายันาคือจิตก็คือเป็นมานายัญนานี่แหละจากขวญญาสาอย่างประชุมกันมันเป็นผัสสะ <laughs> พอผัสสะปุ๊บมันเป็นปัจจัยเก่เวทนาเ <laughs> พราะเวทนาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันน่าจะทําให้มนุษย์ได้เรียนรู้ใช่ไหม ว่าไอ้ตัวสุขเ ว, เน này, วทนาเป็นอย่างนี้ตัวทุกเวทนาเป็นอย่างนี้ตัวุเบขาเวทนาเป็นอย่างนี้ถ้ามนีปัญญามาทําการทั้งหลายเหล่านี้มันจะสามารถได้เรียนรู้โลกและชีวิตเนี่ยตามที่มันเป็นได้เพราะมันจะรู้ว่าไอ้ตัวสุขเวทนาม <Moi, S 2> ันเกิดดับสืบต่ออย่างไงทุกขเวทนาเกิดดับสืบต่ออ้ทุกข์มสุขเวทนาเบขาทั้งหลายเนี่ยมันมาเชื่อมต่อจากการการสัมผัสกันการประจวบกันการสัมผัสกันหรือกระทบกันเนี่ยมันเป็นปัจจัยอย่างไร แต่ที่ไหนได้ไอเวทนามันกลับกลายเป็นตัวการสําคัญเลยดี๋ยนี้ตรนี้บทบาทเป็นองค์ประกอบย่อยอ ย, อย่างหนึ่งช่วยเกิดความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้ส่วนในกระบวนการแห่งการสร้างสังสารวัตรไอเวทนามันตัวสําคัญอีกเหมือนกันเลยสร้างสังสารวัฒนานดันไปเป็ น, ปนตัวใจแก่ตัณหาเป็นตัวใจแก่อุปาทานโอ้โหไปใหญ่เลยทีเนี้ยใช่ไหมนั้นกระบวนการการรับรู้บริสุทธิ์ถ้าพูดเท่ละเอียดชัด ตามหลักก็ต้องตัดตอนที่ช่วงต่อภาษานี้เหมือนกั น, นโดยถือว่าการรับรู้เกิดขึ้นเสร็จสิ้นแล้วที่ภาษาดังนั้นเนี่ยกระบวนการแห่งธรรมะต่อจากนี้ไปมันก็แยกได้เป็นอีกตอนหนึ่งเรียกชื่อว่ากระบวนการแห่งญานนณทัศน์กระบวนการแห่งวิวัตรเป็นคู่คู่ปฏิปักษ์กับกระบวนการแห่งสังสารวัฏแต่ถ้ากระบวนการแบบวิวัตรวิวัตรนนี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตมันจะ จริงจะยกไปพูดกันในตอนที่ว่าด้วยชีวิตควรเป็นยังไงดีตอนนี้เราจะดูกระบวนการขึ้นมานิดหนึง่งก็เกิดระบวนการธรรมะที่เกิดทอดจากที่สืบทอดจากภาษาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเรีอกทางจริยธรรมในระหว่างความดีกับความชั่วนี่แหละระหว่างกุศลกับอกุศลระหว่างความดุจพ้นเป็นอิสระกับความติดหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏทีนี้พอกล่าวในส่วนอื่นๆกระบวนการแห่งธรรมะมันก็ต้องย้อนกลับไปพูดถึงอายตนะอีก กระบวนการหนึ่งธรรมะต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยต้องอาศัยอายตนะเริ่มต้นที่อายตนะเมื่อว่าโดยองค์ธรร ม, มอื่นๆสําคัญสําคัญก็ต้องว่าอายตนะเนี่ยสำคัญเหมือนกันเช่นเมื่อว่าโดยเวทนาเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการธรรมะแบบเสดสวยโลกอายตนะก็ต้องมีความสําคัญอีกมากด้วยเพราะอะไรเพราะอายตนะเป็นแหล่งหรือเป็นช่องทางที่อํานวยให้เวทนาเกิดขึ้นเวทนาเป็นสิ่งที่มนุษย์ มุ่งประสงค์อาญตนาก็เป็นแหล่งอำนวยสิ่งที่มุ่งประสงค์นั้นเหมือนกันโดยสรุปก็คืออาญาตนาหัวคือตาหัวจมูกเล่นกายใจเนี่ยทำหน้าที่สําหรับใช้มนุษย์2ปอย่างก็คือ1เป็นทางรับรู้โลกหรือเป็นแหล่งนําโลกมาเสนอต่อมนุษย์เป็นเครื่องมือสื่อสารทําให้มนุษย์ได้รับรู้ข้อมูลแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยมนุษย์สามารถเกี่ยวข้องกับโลกได้อย่างถูกต้อง ทำให้ชีวิตอยู่รอดแล้วก็ดําเนินไปด้วยดีไอ้แ่งนี้สบายก็ต้องอาศัยเนี่ยการมีตาหูจมูกเล่นกายใจมันช่วยได้ไหมถ้าทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะสื่อรับรู้กับโลกภายนอกแล้วก็จะได้รับรู้เกี่ยวข้องจะทํายังไงให้เป็นอยู่รอดปลอดภยัยทําอย่างไรที่จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วไปสื่อก่าวสีเสียงกินรดพอดพ้าแล้วทำอะไรที่จริงก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมถ้ามองในแง่นี้มุมนี้ สำหรับมนุษย์ที่มีสติสัมปชัญญะมีการฝึกเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการที่เราได้ตาหูจมูกเล่นกายใจมาแล้วก็ไปรับรู้กับสีเสียงกิริย์รสผลิตภัณฑเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะใช้สติสัมปชัญญะมีปัญญาในการที่จะไปเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทํากระแสชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยเข้าถึงสิ่งที่ดีงามได้อย่างไรก็ต้องอาศัยนี่แหละอายตนาทวานเนี่ยทวานในการรับรู้เมื่อขัดฉลาดกับอายตนาทวานทวานในการรับรู้เบ็ดเสร็จก็มาทำกรรมที่เป็นกุศลได้ใช่ไหม ทำกายกรรมที่เป็นกุศลวจิกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลโอ้ชีวิตก็รอดปลอดภัยดิใช่ไหมใช่แต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไหมเป็นไม่เป็นมันไม่เป็นไม่เป็นแล้วเป็นอะไรต่อเนียถ้าไม่เป็นในเรื่องนี้เป็นอะไรต่อมันเป็นช่องทางในการสวยโลกหรือเป็นประตูที่มนุษย์จะเปิดออกไปรับอารมณ์ที่เป็นรสอร่อยของโลกนี่แหละ มาเสพเสวยด้วยการดูการฟังการดมการลิ้มการชิมรสเนี่ยและการแตกต้องเสียดสีการสนุกสนานบันเทิงตลอด ถ, ถึงจินตนาการสิ่งที่หวานชื่นละลื่นใจทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็ติดขัดคัดข้องโอ้โหไปใหญ่เลยแตนี้โอ้โหมันเนี่ยเราหลงเพลินกันมาตั้ง30มสิบขวบ20่สกว่าขวบจะเข้าสามสิบขวบบางคนก็5060แล้วโอ้โหเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กใช่ไหม ถ้าเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะฝึกคิดเป็นเลยตรงเนี้ยตอนเนี้ยพอจะมาคิดตอนเนี้ยไปไม่ค่อยได้หรอกมันได้ไหมเนี่ยยังพอไหวไหมไหวไม่ไหวทันไหมยังทนั น, ทนอยู่บ่างทันไหมแล้วจริงจริงมันอยู่ไงอยู่เนี้ยวันวันจรงจรศึกษาอยู่หรือใช่ไหมตอนนั้นกำลังศึกษาอยู่บ้างเลยอยู่เรื่อยๆเอื่อย เ, อยออยอยเพลินๆเนี่ยตรงเนี้ย มันความจริงเนี่ยนะหน้าที่ทั้งสองอย่างนั้นมันติดเนื่องอยู่อยู่ด้วยกันนะหน้าที่อย่างแรกเรียกรว่าเป็นหน้าที่หลักหน้าที่ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นส่วนหน้าที่ที่สองเป็นหน้าที่รองว่าเป็นของแถมหรือเป็นส่วนที่เกิดก็มันเป็นส่วนเกินก็นนะส้วเกินเกินเอาได้แต่นี้ในเวลาสนองหน้าที่ทั้งสองอย่างนั้นการทางานของอายตนะอย่างเดียวกันนี่แหละ ความแตกต่างอยู่ที่เจตจํานงของมนุษย์ที่มุ่งไปที่ความรู้หรือมุ่งไปที่เวทนาเราตั้งยังไงเนี่ยเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้เพื่ออะไรเรารู้จักชีวิตแล้วทีโอตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีตาก็ไว้สื่อนะเป็นแดนแดนต่อกับสีหูก็เป็นแดนต่อกับเสียงจมูกก็เด่นต่อกับกลิ่นลิ้นก็เป็นดินแดนต่อกับรส กายก็เป็นแดนต่อกับผลสัมผัสเย็นร้อนใจก็เป็นแดนต่ออย่างการคิดเออเอาละเราจะได้กระบวนการหนึ่งการรับรู้เราจะได้ศึกษาเราจะได้วิจัยแยกแยะเราจะได้สื่อก่อโลกจะได้ฉลาดต่อโลกและชีวิตเราที่ได้เป็นบัตรต่อโลกเราจะได้ความรู้ได้ความเข้าใจจากการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นแดนต่อจากสีเสียงกลิ่นรสผลไม้และธรรมะลมมันมีเจ็ดจำลองแบบนี้ไหม ได้ตั้งเจตนาแบบนี้ไหมเจตจํานงจงใจตั้งใจแบบนี้ไหมเป็นเจตนาดีแบบนี้ไหมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่างั้นเถอะนะไม่ได้ตั้งคิดอย่างนี้เลยอะวัน ว, น, วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ตั้งเจตนาไว้อย่างนี้ตั้งแบบนี้ไหมตั้งไม่ตั้งไม่ได้ตั้ ง, งเลยวันวันหนึง่งขนาดเรียนรู้ไปเรียนเรื่องจิตเจตสิกเรียนเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้แต่ก็ไม่เคยมารู้อะไรกันหรอกว่างั้นเถอะมันไม่ได้มีการมาฉุกคิดกระตุ้นความคิดต่างๆตัวนี้เกิดขึ้นว่าโอ้เรามีแดนรับรู้ตั้งหทาง รู้เป็นแดนสื่อกับโลกภายนอกเนีเป็นแดนสัมผัสกับโลกภายนอกมันจะไปไประจวบกันเข้ากับโลกภายนอกก็ก็ศัาายตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนใช้ตามาจนจะบอดหูจนจะหนวกแล้วจมูกจนลลกลกลิ่นอะไรไม่รู้เรื่องแล้วรส ล, ลิ้นจนสัมผัสรสทําไม่รู้เรื่องกินทุกวันกายก็สัมผัสเย็นร้อนตลอดนี่แหละใจก็คิดนึกอยู่ตลอดแต่มันไม่ใช่เป็นแดนในการรับรู้ เป็นแดนแห่งการศึกษาวิจัยแยกแยะใดๆที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการได้ให้ชีวิตรอดปลอดภัยไปสู่ความวิวัดนไปเป็นไปแห่งการรอดปลอดภัยจากสังสารวัฏอะไรได้เลยใช่ไหมมันกลายเป็นแดนต่อเป็นแดนสืบต่อแห่งสังสารทุกเลย่างนิดเถอะเป็นแดนสืบต่อแห่งความเจ็บปวดในสังสารวัฏเลย มันเป็นแดนแห่งการทํากรรมที่ไม่เหมาะเลยพอกระทบกันแล้วก็เป็นกายกรรมวจีกรรมโมกรรมที่เป็นทุติริทุกทีเลยพอตากระสีไปกระทบกันก็ได้กายทุติยริวจีทุติยริโนทุจริตตามมาเอ้าตายเลยทำไมเป็นอย่างนั้นได้ยินเสียงปุ๊บก็เข้าสู่กายทุจริวจีทุติยริโมทุจริตได้กลิ่นปุ๊บก็ได้กายทุจริวจีทุติยริโนทุจริตลิมรสสัมผัสและคิดนึกทั้งหลายก็นี่อายตนาทวานก็มันไม่ใช่ทวานในการ รับรู้เป็นทวารอย่งการเสพเป็นทเวเสวยเป็นทวารอย่งการมันไม่ใช่ศึกษาแล้วมันไม่ใช่เป็นกาเป็นในตัวสื่อหรือตัวแดนแดนแดนสื่อกับโลกที่จะให้เราศึกษาเรียนรู้เข้าใจแล้วมันเป็นการหลงโลกไปเลยตยเนี้ใช่ไหมนะเข้าแทนที่จะได้กายสุจริตวจีสุจริตโมโนสุมันก็ได้ทุจริตนั้นจุดมุ่งหมายเนี่ยมั น, ม, นมันมุ่งไปที่ความรู้หรือมุ่งไปที่เวทนา ถ้าเรามุ่งไปที่เวทนาแล้วก็อยากจะได้สุขเวทนาอายุ่งไงท่เนนี้มุ่งไปที่เพื่อขันห้านี่แหละนั้นปุโรชนเนี่ยความสําคัญของอายตนะมักจะก้าวข้ามมาอยู่กับหน้าที่อย่างที่สองก็คือการเสพเสวยโลกจนถึงขั้นที่กลายเป็นว่าหน้าที่อย่างที่หนึ่งมีไว้เพียงเพื่อเป็นส่วนประกอบสนองการทําหน้าที่อย่างที่สองก็คือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการในการรับรู้มีไว้เพื่อรับใช้กระบวนการในการเสพเสวยโลก หรือรับใช้กระบวนการแห่งสร้างสังสารวัตรเท่านั้นเองมันไปไปมามันก็ทำไม่ได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมันทํากรรมที่ไม่เหมาะไม่สมขึ้นมาไม่สังสารวัตมันก็สืบต่อใช่ไหมเจ็บปวดกันต่อไปนี้ถ้าเรียนรู้เรื่องต่างๆตรงนี้กระบวนการแห่งการรับรู้เนี่ยถ้ามีไว้เพียงเพื่อเสพเสวยโลกหรือใช้กระบวนการแห่งสังสารวัตเนี่ยทั้งนี้เพราะปุโรชนมักใช้อายตนะเพื่อมุ่ง รับรู้เฉพาะรู้ส่วนที่ทำให้ตนได้เสพสวยอารมณ์อะเลศอร่อยของโลกเท่านั้นมันไม่ได้สนใจเพื่อความรู้นอกจากนั้นมันไม่ได้สนใจแล้วนี่พุทชนผู้มืดบอดก็จะเป็นอย่างนี้เออเวลาเราจะกินน้ำเชียนใจแล้วมันไม่ได้เพื่อรู้และเข้าใจมากไปกว่า น, นั้นจริงไหม เนี่ยทุกทกวารก็เป็นแบบนี้หมดเลยเอาเอาไปคิดดูว่าเออเราถูกเราไม่เคยถูกแนะนำให่คิดในเรื่องนี้ย่างถูกต้องเลยบุรุชนถ้ายิ่งหนาด้วยกิเลสมากเท่าไรความติดข้องผัวพันอยู่กับหน้าที่อย่างที่สองของอายตนะก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแหละจนถึงท่านที่ว่าชีวิตและโลกของมนุษย์เนี่ยเวียนอยู่แค่อายตนะ6 เวียนอยู่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวียนอยู่แค่สีเสียงกีรติรสผลิตภัณฑ์ติดอยู่แค่นี้ออกไม่ได้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมออกจากสีเสียงกีรติรสผลิตภัณฑ์ทำมัลมได้ไหมไม่ได้วน ๆ, ๆ, ๆอยู่แค่นี้แหละนั่นอนาณาจัภายใน6เป็นเพียงส่วนประกอบของขันห้าและไม่ครอบคุมทุกส่วนแห่งชีวิตของมนุษย์โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างขันห้าก็จะก็จริงนะแต่มันก็เป็นบทบาทสําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ มีอำนาจกำกับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากจนกล่าวได้ว่าชีวิตเท่าที่มนุษย์รู้จักและดำเนินอยู่เนี่ยก็คือการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกทางอาญตนาเหล่านี้และชีวิตเนี่ยมันก็มีความหมายต่อมนุษย์แล้วก็อาศัยอาญตนาเหล่านี้ถ้าอาญตนะไม่ทำหน้าที่แล้วโลกก็ดับชีวิตก็ไร้ความหมายสำหรับมนุษย์มันมีข้อความแห่งหนึ่งในพระบาลีนะที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของขันห้า แล้วอธิบายเขาไว้บอกว่าเกี่ยวกับกระบวนการแห่งขันห้าที่ทํางานก็อาศัยตาและรูปเกิดจากคูัญญาณการประชุมของธรรมสามการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีบุคคลสวยอารมณ์ใด ย, ย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นก็เป็นสัญญาหมายรู้อารมณ์ใด ย, ย่อมตรึกตรองตรึกตรึกอารมณ์นั้นก็เป็นวิตกตรึกอารมณ์ใดก็ย่อม ผันพิสดารซึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นปปัญจปะปปัญญธรรมเนี่ยนะอะคือตัณหามน า, านะพิธีบุคคลผันพิสดารซึ่งอารมณ์ใดเพราะการผันพิสดาร น, นั้นเป็นเหตุปปัญจะสัญญาตัณหามนานะพิธีต่างๆสัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายย่อมผดุงพุ่งสมรุมเขาในเรื่องรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ย กระบวนการต่างๆตรงนี้ท่านต้องการจะพูดถึงในแง่ของสังสารวัตนี่แหละที่เป็นส่วนเห่งการณ์ที่พอเห็นแค่นี้อาศัยตาและโรปเกิดจากคุ ญ, ญาณพอไปชุมพอทำสามอย่างประชุมกันนััสสาวะเขมีพอภาษามีเวทนามีพอเวทนามีปุ๊บ ก, ก็กําหนดหมายก็เป็นสัญญาพอกําหนดหมายในเรื่องใดก็ตึกตรองในเรื่องนั้นพอมีการตึกตรองในเรื่องใดทั้งหลายเลยนี้ ป, ปัจจัยสัญญาก็ตามมาเป็นไปปัญจธรรม ตั้หามานาทิถีมาเพราะตั้หามานาทิถีมาโอ้โหปรุงแต่งตามมาเยอะเลยเป็นสัญญาที่ซับซ้อนมาอีกเยอะปรุงแต่งวิจิตพิสดารมากเลยเนี่ยทางหูทาง ท, างทวารหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเป็นปัญหาของชีวิตเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เออตรงนี้ไปทําความเข้าใจตรงนี้อีกนะว่าออกระบวนการคําว่าปรปัญจะหมายถึงอาการที่เขาเคลียผัพวพันอยู่กับอารมณ์นั้น คือคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยแรงของตัณหามานะทิฏฐิผักดันออกไปเพื่อสนองตัณหามานะทิฏฐิก็คือคิดปรุงแต่งในแง่ที่จะเป็นของชั้นตัวเราของเรานี่แหละให้ตัวชั้นเป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นไปตามความเห็นของฉันออกมาในรูปร่างต่างๆมากมายพิสดารก็ทําให้เกิดปปัญจสัญญาต่างๆก็คือสัญญาทั้งหลายที่เนื่องด้วยปปัญจะปปัญจามีตัณหามนะทิฏฐินะก็นะเขา่า พัฒนาเป็นประจัยญญธรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้ทีนี้จะเห็นได้ว่าสัญญาสองต่อนในสัญญาตอนแรกเขาเรียกเป็นสัญญาขั้นต้นที่กำหนดหมายอารมณ์นึงมาปรากฏตามปกติตามธรรมดาของมันสัญญาตอนหลังเรียกว่าปัจจัยสัญญาเป็นสัญญาที่เนื่องจากสังขารที่ปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆให้ออกในรูปร่างแง่มุมต่างๆมากมายพิสดารนีมีสองสอง สังกระบวนการในการรับรู้เมื่อสักครู่ที่บอกอาศัยตาและรูปเกิดจากคุณ ญ, ญาณประชุมกันใช่ไหมเกิ <c oughs> ดการประจวบเพีงทำสามประการกัภ <c oughs> าษาพราะภาษาเกิดขึ้นปุ๊บพอภาษาเป็นปจัจจัยก็เป็นพระาะภาษาเกิดขึ้นก็เว็นปัจจัยเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นเกิดความสวยอารมณ์นั้นปุ๊บจะเป็นสุขทุกข์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็เกิดสัญญา ความจําหมายเกิดขึ้นแล้วพอเกิดความจําหมายก็ตรีตรองเป็นวิตกเพราะจากวิตกผันพิสดารออกไปเป็นปปัญจะเป็นตัณหมามนาติที่เนะีเขาก็พัฒนาไปสู่ปปัญจะทำเป็นสัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายพวกท่าดลุ่มเล้าเขาอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเี๋ยวนี้จากอารมณ์ทางตาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเลยเนี่ยสัญญาพึ่งกี้พูดถึงสัญญาสองตอนนี่แหละเป็นปบเป็น ปปัญจะเป็นตนามรทิฐิแล้วก็พัฒนาสุปปัญจะสัญญาเป็นสัญญาที่ซับซ้อนพิสดาร <c oughs> ประการต่อมาก็คือจะเห็นได้ว่ากระบวนการธรรมะทั้งหมดแยกเป็นสองตอนตอนแรกตั้งแต่อายตนาภัยในจะถึงเวทนาสายตาและรูปเกิดจากคุณ ญ, ญาณการประชุมรำตามการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นใจ เ, เกิดเวทนาจะเป็นกระบวนการรับรู้ที่บริสุทธิ์มากนะีพอเห็นปุ๊บกระทบกันน่ยจากจากักรุทวาน ทางตารับสีแล้วก็จักรกุญญญาณเกิดขึ้นพอจักรกุญญญาณเกิดขึ้นต่อมาเวทนาตามมากระบวนการเหล่านี้ต้องถือบริสุทธิ์ือบริสุทธิ์อยู่เป็นไปตามธรรมชาติมีแต่องค์ธรร ม, รมที่เกิดตามเหตุตามปัจจนะัยเนี่ยยังไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้พอตอนหลังพอตอนปลายตัดตอนตั้งแต่เวทนาไปแล้วก็เกิดกระบวนการ การเสพสวยโลกคือกระบวนการถ่งสังสารวัตรมารับช่วงต่อความจริงตั้งแต่เวทนานี้เป็นทางแยกเนาะอาจจะต่อกระบวนการธรรมวิวัตก็ได้แบบวิวัตก็ได้เป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อความรู้ค ว, รความเข้าใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสติสมปชัญญะก็ได้แต่นี่มุ่งแสดงแบบสังสารวัตก็คือสังเกตตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของช่วงนี้แหละมันไม่เพียงแค่องค์ธรรมต่างๆที่เป็นเหตุปัจจัยเกี่กับการตามธรรมชาติแต่มันเกิด มีสัตว์บุคคลขึ้นมากลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสพเสวยกับสิ่งที่ถูกเสพเสวยผู้คิดและและสิ่งที่ถูกคิดเป็นต้นเหล่านี้มีกระบวนการตรงนี้มันก็กลายเป็นประปัญจะและก็ประปันจะสัญญาที่นี้กระบวนการในการเสพเสวยโลกในช่วงปลายที่แสดงข้างบนเป็นเพียงวิธีการแสดงแบบหนึ่งเลือกเอามาจำพเพาะแบบสั้นๆให้เข้ากับเรื่องที่อธิบายเรื่องขันอาญาชนะ แสดงแบบอื่นเช่นแสดงแบบพิสดารในหลักปฏิจจสมบาทก็ได้แต่ในที่นี้แสดงเพื่อให้รู้ว่ากระบวนการแห่งการเสพสวยโลกมันเป็นแบบนี้เนาะที่ว่าตามหลักอย่างเคร่งครัดวิญญาณภาษาเวทนาสัญญาในกระบวนการธรรมานี้เป็นสาชารธรรมเป็นธรรมะที่เกิดพร้อมกันเข้าใจว่าในกรณีนี้เพื่อเขียนือกระบวนการเพื่อเกิดความเข้าใจเท่านั้นเองเนอะอยนายตนะอารมณ์วิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยมันจะเป็นไปสองทางกระบวนแบบ สังสารวัฏกับแบบวิวัฏถ้าแบบสังสารวัฏกับเวทนาเป็นปัจจัยเก็บตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเก็บอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเก็บพบพบเป็นปัจจัยกชาติก็ไล่ไปตามดับอันนี้เป็นสังสารวัฏถ้าแบบวิวัฏก็อาศัยตารูปเกิดจากกุญญาณการประชุมมุงธรรมสามการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยเก็เวทนาเวลเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเก็ตัณหาตัณหาในระดับด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเพราะกระบวนการเห็นความรู้ความเข้าใจมันจะมาตัดตอนปัญหา อตัณหาตัณหาก็ไม่เกิดต่อก็เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ปุดพองเป็นไปพระกุศล ใ, ใดๆก็ว่ากันไปอยายจนนะเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> พอจะมองตอนนี้เข้าใจได้ระดับหนึ่งนะวันก่อนได้พูดมาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องตัวนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องสัญญาปปัญจะสัญญามันก็เลยกลายเป็นต้องมาอธิบายสัญญาตัวนี้ เรื่องวิธีการจำแนกตนัวนี้ท่านก็มาขยายความในเรื่องของขันนี่แหละสัญญาขันสังขารนักขัวิญญาณนะักขันความรู้ตามสภาวะของมันได้แก่สัญญาวิญญาณและปัญญานี่ยแนี้ก็ทำความเข้าใจซ ส, ส่วนนี้ชัดก่อนเ อ, เอาสัญญาก่อนถ้าเป็นสัญญาก็คือความรู้ความกำหนดนะความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในขั้นของสัญญาขันได้แก่ความกำหนดได้หมายรู้รวมทั้งความรู้ที่เกิดจากการกำหนดหมาย หรือรู้หมายบันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็นวัตถุดิบของความคิดต่ อ, ตอไปทาให้มีการรู้จักจําได้รู้เข้าใจและคิดได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไอตัวสัญญาเป็นตัวเก็บตัวจําเข้าไว้ไว้ใจได้ไหมตอนนี้เนีแต่ว่าเป็นประโยชน์ได้ไหมถ้าเข้าใจในสัญญาตัวนี้สัญญาคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาขันนี่แหละความรู้คิดนึกทั้งหลายสัญญาเนี่ยแบ่งตามอารมณ์รูประสัญญา จำในรูปสัทธาสัญญาจำในเสียงคันธาสัญญาจำในกลิ่นราศาสัญญาก็จำในรสผลิภัณฑ์สัญญาก็จำในผลิภัณฑ์ธรรมสัญญาก็จำในธรรมารมณ์เนี่ยนะสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจในที่ใจเพ่เคยรู้นึกคิดทีนี้สัญญาก็เลยแบ่งแบงแบคร่าวๆในที่นี้ท่านแบ่งเป็น2ระดับระดับต้นและระดับซ้อนเสริมระดับต้นได้แก่ความรู้ลักษณะการตามสภาวะของสิ่ง น, นั้นๆโดยตรงเลยรู้ว่าสีเขียวสีขาวสีดำ แข็งอ่อนรสเปรี้ยวหวานรูปกลมแบนยาวสั้นเป็นต้นอะไรเนี้ยอันนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับบัญญัติต่างๆนะก็ได้โต๊ะเก้าอี้นีปากกาหนังสือบ้านที่ดินอะไรก็ว่าไปาอันนี้กัสัญญาก็กไปจําในเรื่องนี้ถ้าจําแบบสัญญาบริษุทธิ์ผุด่องอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรที่มันตามมาก็คือที่เป็นปัญหาของมนุษย์ขึ้นมาก็ไอ้สัญญาซ้อนเสริมนี่แหละสัญญาซ้อนเสริมก็ได้แก่ความรู้ไปตามความคิดปรุงแต่ง หรือความรู้ความเข้าใจในระดับต่างๆเช่นรู้ว่าสวยน่าเกลียดหน้าชังไม่เที่ยงไม่เป็นตัวตนเนี่ยกแสดงเี้เป็นซ้อนเสริมนะซ้อนเสริมสัญญาสืบทอดมันจแบ่งเป็นสองพวกสัญญาที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเป็นอกุศนเป็นกิเลสเขาเรียกปัปปัญจะสัญญาเป็นสัญญาฟ้ามฝือนคือเป็นสัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายที่เกิดจากการปรุงแต่งซ้อนเสริมต่อให้พิสดารมันเกิดจากอะไรกิดจากตัณหาคือความยึดติด ความยินดีนี่แหละมานะกับความยกตนทิฏฐิความเห็นผิดนี่แหละเรียกอย่างหนึ่งเป็นจำนวนอัจฉริยะเขาเรียกกิเลสสัญญาประปันจะสัญญาหรือกิเลสสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่ประกอบด้วยราคาโทสะโมหะไอตรงเนี้ตามมาเยอะเลยใช่ไหมพอไปจําสีเสียงกลิ่นรสจําโต๊ะจําเก้าอี้จําบุคคลทั้งหลายจํานาจำรล่ได้พอเป็นสัญญาซ้อนเสริมที่เป็นกิเลสสัญญาเป็นประปันจะสัญญาขึ้นมามันก็ไปจําของใครล่ะของเราไม่ใช่ของเราชอบไม่ชอบเกียดกลัว ใช่ไหมไอ้ตรงกิเลสสัญญาปะปันจะสัญญาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มนุษย์ยังยกตัวอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเรากลัวเรากลัวผีใช่ไหมกลัวเสือเนี้ยกลัวหนูกลัวมดกลัวจิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยทั้งๆมันไม่อยู่หรอกแต่ว่ามันเป็นสัญญาซ้อนเสริมมันปรุงแต่งในใจเราทําให้เราคิดถึงมื่อไรากลัวนใีใช่ไหมใช่ไหมใช่ หรือบางทีมันเกิดความชอบเงี้นะความยึดติดพอดันมันกระบวนการไม่เป็นไปตามความเป็นจริงเราคิดเมื่อไหรก็รักติดใจไปกัะสั์เหมือ น, นั้นใช่ไหมเนี่ยยังนั่งอยู่อย่างเงี้ยบางคนมีอดีตภรรยาอาดีตแฟนเลยพ <c oughs> อคิดไปแค่นั้นโอโ้โหสัญญาซ้อนเสริมเป็นกิเลสสัญญาตามมาเพียบเออรู้สึกก้มอกก้มใจเรามีพ่อมีแม่ทั้งหลายอะไรนี้เป็นตน้นเหไรเนี่ยนะไปสัญญาซ้อนเสริมขึ้นมาดูที่ไปยึด ไปยึดร่วบปรขันก็เป็นแม่เป็นพ่อเป็นเมียเป็นภรนรยาเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสามมใช่ไห ม, มแต่กระบวนการต่างๆเหล่านั้นที่เราไปยึดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดไหมแต่สัญญาเข้าไปรู้ความจริงตรงนั้นไหมรู้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ปัญญาสัญญามันรู้อันนี้จังทุกขังหน้าตาที่ไหนล้วสัญญาแค่รู้จํากําหนดหมายเท่านั้นแหละใช่ไหมแต่มันสามารถเป็นอุปกรณ์ก่การที่จะทําให้ปัญญาเกิดได้แต่ในที่เนี้ย พอเป็นปัปันจัสัญญากิเลสสัญญาขึ้นมาเนี่ยนะอกุสนสัญญาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไปจํพาพอจําบ็เสร็จแล้วเป็นปัจัยกับทิฏฐิก็ได้มานาก็ได้โทสะก็ได้ราคะก็ได้เป็นปจัจจัยความโลภกดหลงก็ได้เป็นปัจัยกับอิสาริษยาพิตเตอรเหล่านี้ก็ได้โอ้โหตามมาเยอะเลยจากกิเลสสัญญาปะปัญจสัญญามันซ้อนเสอือมันปรุงแต่งมันฟ้ามเผือปั่นใจให้ทุกขทรมานนอนไม่หลับก็แล้วกัน็บางทีขนาดนั้นเนี่ยคิดคิดคิดจนกลุ้มก็ได้ ช่ไม่ใช่เนี่ยตัวกิเลสสัญญาปปัญยจาสัญญาสัญญาที่เกิดจากกิเลสสัญญาพวกนี้ถูกกิเลสปรุงแต่งทาให้ฟั่นเฟือและก็ห่างเหยเฉ๋ยวฉายออกไปจากทางแห่งความรู้ไม่เป็นเรื่องของความรู้อีกต่อไปเป็นเรื่องของการที่จะทําให้เกิดความโลภบางความโกรธบางความหลงบังแทนที่จะช้าๆเกิดความรู้มันกลับกลายเป็นเครื่องบิดปิดกั้นนะบิดเบือนความรู้ปิดกั้นไหมถ้าความรู้ประเภทนี้สัญญาประเภทนี้ปิดกั้นบิดเบือนความรู้ไหม ปิดกันหรือไม่ปิดกั้นเมื่อกี้อธิบายไปคือข้อโคเนี่ยปิดกั้นดิไม่ปิดกั้นได้ไงสัญญาที่มันเป็นเป็นกกิเลสสัญญาเนี่ยมันจะมันจะช่วยความรู้ไหมล่ะเช่นไปยึดติดว่ามันเป็นของเราเปิดไปติดใจฝ่ายะสันในสิ่งนั้นขึ้นมาขึ้นมาเนี้กระเป๋าเนี้ยใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วถ้ามันจะเกิดความรู้ก็ได้ศึกษาได้วิจัยแยกแยะเกิดปัญญาเกิดรู้เข้าใจในสิ่งนี้อันนี้เป็นกุศลสัญญาได้ใช่ไหม มันเป็นปัจจัยต่อปัญญาได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันบอกว่าโอ้เป็นของเราขึ้นมายึดติดไหมล้วนะข้าวนะข้าแทนที่จะได้ประโยชน์จากปัญญามไม่ได้แล้วก็เป็นกิเลสไปยึดติดมันก็ไปหวงแหนมันนะข้าวนะข้าโอ้โหหวงกลัวคนจะมาเอาอะไรเยอะแยะหมดนอนก็ยังทํำยังไงจะซัน้นไม่ให้ใครมาเห็นไม่อยากสละอะไรเยอะแยะในะปัญหาตามมาอีกมากมายก็ลองคิดดูที่ว่าไอตัวสัญญากิเลสสัญญาทั้งหลายมันเป็นไปกับปัปญจสัญญาเป็นไปกับปัญหามนาตรี มันไปยึดไอ้รูปธรรมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นภรรยาเราจะยึดอย่างเงี้ยมันจะได้ประโยชน์มันมันจะได้ประโยชน์จากความรู้อะไรไมนื้อก็ได้แต่ยึดติดปรุงแต่งกันต่อไปเครียดกับสิ่งนั้นโทุกข์กับสิ่งนั้นวิตกกังวลกับสิ่งนั้นกลัวพัดพลาดกลัวจากโอ้โหแทนที่จะได้ความรู้วิจัยแยกแยะอะไรเนี่ยมันมันแทนที่มันจะได้ความรู้เนี่ยมันกลับกลายเป็น ถูกกิเลสปรุงแต่งให้ฟั่นเฟือห่างเฉยฉายออกไปจากความรู้มันไม่เป็นเรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของการที่จะให้เกิดความโลภคือความกำหนัดความโกรธเครียดโมหะความหลงแทนที่จะช่วยเกิดความรู้มันก็กลับกลายเป็นเครื่องปิดกัน้นบิดเบือนความรู้นี่เป็นเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะเงี้ยก็คือไอตัวสัญญาตัวนี้มันความหมายรู้ลักษณะที่ถือว่าหน้าชัง หมายรู้ลักษณะการที่สนองความอยากได้อยากเอาหมายรู้ลักษณะที่ตนเองเป็นเป็นคนยิ่งใหญ่หมายรู้ลักษณะการตนเองถือต่ำต้อยด้อยหมายรู้สภาวะที่ตนเป็นเจ้าของหมายรู้เป็นผู้ครอบครองถ้าเป็นสัญญาจำอย่างนี้ยุ่งมืโอ้โหมันมันมั น, ม, นมันปิดกั้นปัญญาเตที เออตรงนี้คนที่ยังยึดติดในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยสัญญามีกิเลสสัญญาปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้นะมันจะไม่ได้เกิดความรู้ไม่ได้ความรู้ความเข้าใจอย่างที่แท้จริงของมันมองเห็นได้ยังในสัญญาที่มันเกิดจากกิเลสสัญญามันจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มากมายโดยส่วนใหญ่มันก็ไปติดข้องกันอยู่แค่ตรงนี้นาข้าวนาข้าวมันก็ติดขัดกันอยู่อย่างนั้นเลยไม่เป็นอิสระเลยส่วนสัญญาที่เกิดจากความดีเนี่ย ความดีงามที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียกว่ากุศลสัญญาหรือวิชาภาักดีสัญญาเป็นสัญญาที่ช่วยเกิดวิชาเป็นสัญญาที่ช่วยเกิดความรู้ให้เกิดปัญญาเป็นสัญญาช่วยเสริมความเจริญของปัญญาความงอกงามของกุศลเช่นยังไงหมายรู้ลักษณะอาการที่ชวนให้เกิดความเป็นมิตรหมายรู้ลักษณะการซึ่งภ า, าวะ ท, ah ah ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงความไร้ตัวตนเป็นต้นเหล่านี้ พระอรหันท่านก็มีสัญญานีแต่สัญญาที่ปราศจากอาสวาเป็นสัญญาที่ไร้กิเลสพระอรหันก็หมายรู้ปะปันจะสัญญาตามที่บุรุษชนเข้าใจหรือตามที่ท่านเองเคยเข้าใจเมื่อยังเป็นบุรุษชนแต่ท่านหมายรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เช่นแก้ปัญหาของคนอื่นไม่ได้หมายรู้ในแง่ที่จะมีตัวตนเข้าไปรับผลกระทบแม้ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องดําเนินตามแนวทางที่เป็นกุศลสัญญาแบบเนี้ยมันถึงจะใช้ได้ถึงจะเป็นประโยชน์ ฉะนั้นถ้าเราไปหมายรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราหมายรู้นั้นถ้าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปัญญาแก่ความรู้แก่การเจริญกุศลแก่การที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายสิ่งต่าง ๆ, างๆางนั้นเป็นประโยชน์แต่ถ้าไปหมายรู้เพื่อจะไปยึดติดหรือเป็นการเป็นเจ้าของเป็นอัตตาตัวตนหมายรู้ในการที่จะเป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะโมหะไอการหมายรู้ดังนั้นมันเป็นกิเลสสัญญาไอตรงนี้เราก็ต้องไปแยกแยะกันให้ชัดใช่ไหม ยากไหมเนี่ยอระการต่อมาพูดถึงเรื่องวิญญาณวิญญาณวิญญาณก็คือความรู้ทั้งหมดที่รู้ในหมวดของวิญญาณอาขารได้แก่ความรู้ยืนโรงที่เป็นกิจกรรมประจำของจิตซึ่งคอยรู้กิจกรรมอย่างอื่นทุกอย่างของจิตอันนี้ได้พูดมาแล้วเนาะจากวิญญาณสืตวิญญาณกาณวิญญาณชิวหายวิญญาณกายเยาวิญญาณนโมวิญญาณยังไม่ตามก็ไปตายลีตรงนั้น พอเเรื่องของจิตเดี๋ยวไปศึกษาเรื่องจิตตอนนี้เราก็จะรู้รายละอยเอียดถึงเยอะขึ้นอปัญญาความรู้หลักในหมวดของสังขารละขันนี่แหละเป็นปัญญาแสดงแล้วโดยสมควรในบทที่กล่าวซ้ําที่นี่ก็คือปัญญาเนี่ยเป็นความรู้เป็นหมวดของสังขารละขันปัญญาก็ยังเป็นหมวดมันสัมพันธ์เป็นความรู้หลายอย่างสัมพันธ์ปัญญาในแง่ช่วยเกื้อหนุนบ้างในตอนว่าด้วยความพัฒนาปัญญาความ ตรงนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องของปัญญาความรู้ชัดรู้ทั่วทั้งหลายแล้วนี้เดี๋ยวจะไปแสดงอีกทีนะแต่พูดถึงนิปัญญาก็คือรูปแบบสัญญารูปแบบวิญญาณรู้อย่างปัญญาได้อธิบายมาแล้วต่อไปพูดถึงเรื่องศรัทธาศรัทธาความเชื่อมีไหมแต่มากเรามาศึกษาในพุทธศาสนาในพุทธธรรมในคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาในพระรรมนิาตายเริ่มเด่นชัดขึ้นไหม ชัดขึ้นมมากขึ้นบอกทเชื่นใจได้ไม่เสียแรงความซาบซึง้งศรัทธากับความรู้นี่ต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันนะไม่ใช่ความรู้นะเป็นทางเชื่อมไปสู่ความรู้ได้ไหมศรัท ธ, ธาเป็นทางเชื่อมได้เพราะศรัท ธ, ธามีลักษณะเป็นการยอมรับความรู้ของคนอื่นก่อนเอาความรู้ไปฝากไว้กับคนอื่นฝาก ความไว้วางใจในปัญญาของคนอื่นอย่างเช่นเราฝากความไว้วางใจในปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปัญญาที่จะสรู้ความจริงเนี่ยเราไปศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาดนั้นยอมพึ่งและอาศัยความรู้ของคนอื่นหรือแหล่งความรู้อันเป็นเครื่องชี้นำแก่ตนเองเอออย่างเงี้เนี่ยเราไปเกี่ยวข้องไปอยู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นเราก็จะต้องอาศัยเชื่อมั่นในปัญญาของ ท่านพุนท่นก่อนเนี่ ย, ยตรงเนี้ยแหละถ้าผู้ที่มีศรัทธารู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญาของตนเองเป็นทุนประกอบไปศรัทธาก็สามารถนําไปสู่ความเจริญของปัญญาและความรู้ความจริงเป็นต้นได้เพราะอย่างยิ่งก็คือในเมื่อพูดนั้นผู้อื่นนั้นหรือแหล่งความรู้นั้นมีความรู้อย่างแท้จริงโอแหล่งความรู้ที่เราไปเกี่ยวข้องเป็นกัลยาณมิตรช่วยชี้แนะให้รู้จักใช้ปัญญาโอ้ยิ่งไปใหญ่เลยเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆตรงเนี้ย แต่ถ้าเชื่ออย่างงมงายไม่รู้จักคิดไม่ใช้ปัญญาของตนเลยหรือผู้อื่นหรือแหล่งความรู้นั้นก็ไม่ได้มีข้อความมูลที่รู้จริงทั้งไม่ใช่กัลยาณมิตรที่จะช่วยชี้เนีหรือมีปาปมิตรผลกลับกลายเป็นปาปมิตรผลมันตรงกันข้ามนำไปสู่ความหลงผิดห่างไกลจากความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเออตรงนี้ศรัทธาก็ต้องมองให้ชัดตรงนี้ฉนั้นศรัทธาที่เราไปตั้งกันไว้ก็ต้องแยกแยะ ไปตั้งไว้กับกายานมิตรหรือเปล่าหรือไปตั้งไว้กับแหล่งหรือว่าเชื่อมั่นในปัญญาของบุคคลอื่นถ้าไปเชื่อมั่นในปัญญาของบุคคลอื่นปุ๊บแล้วเราเอาความเชื่อมั่นไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเออปัญญาของบุคคลคนนั้นหรือบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นชี้แนะทาให้เราเนี่ยพัฒนาจากศรัทธาเข้าถึงปัญญารู้จักตนเองรู้จักคิดรู้จักพิจารณาวิจัยแยกแยๆขึ้นมาโอ้โหเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนีอันนี้เป็นต้น จะได้ตรงเงินข้ามกับความเสียหายกลายเป็นสุ่ความหลงไปนี่ศรัทธาให้เข้าๆตรงนี้ก่อนอย่างที่จริงถ้าจะศึกษาศรัทธาก็ต้องไปศึกษาลักษณะรักษาณะปัประธานประทัดฐานในลัคนาจิตุกะนั้นในรายละเอียดก็ต้องว่าอีกทีอาทิฏฐิทิฏฐิแปลความเห็นความเข้าใจตามแนวคิดของตนในเวลาเรารับรู้อะไรปุ๊บเนี่ยโดยมากเราเอามาผมวกเราเวลาคิดคิดคิดขึ้นมามันกลายเป็นความเห็นตัวเองไหมเป็นไม่เป็น รับรู้เรื่องอะไรต่างๆเบียดเสร็จเวลาประกลองตรองไปเบีดเสร็จมุ่กลายเป็นความเห็นของเราไหยกลายเป็นความเห็นนะเป็นขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาปัญญานะเพราะความรู้ความเข้าใจของมนุษย์บุรุชนที่จะต่อขั้นขึ้นต่อจากผู้อื่นด้วยศรัทธาก้าวมาสู่ความมีความคิดความเข้าใจหรือสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลของตนตนเองประกอบเนี่ยควรจะนับได้ว่าเป็นความเข้าใจของตนเองก็คือทิ่ถีนี่แหละ บางครั้งที่ตีมันไปนสัมพันธ์กับศรัทธาอย่างใกล้ชิดหรือถึงกับเป็นคน ล, งงและแห่ในเรื่องเดียวกันก็กล่าวเคือแง่ที่เป็นการมอบความไว้วางใจในความรู้ของคนอื่นย่อมเป็นไปตามปัญญาของเขาแล่นออกพุ่งออกไปหานี้เป็นศรัทธานะนี่เป็นศรัทธาแล่นไปเนี่ยมอบความไว้วางใจในปัญญาของคนอื่นแล้วก็แล่นออกไ ป, ไปเชื่อมั่นอย่างนี้กลายเป็นกลายเป็นศรัทธา ส่วนในแง่ที่เป็นการรับเอาความรู้นั้นหรือสิ่งที่เขาบอกนั้นน่ยมายึดถือเป็นของตนรับมาถือเอาไว้เข้ามานี่กลายเป็นทิฏฐิลักษณะสำคัญของทิฏฐิหรือการยึดถืออันเป็นของตนเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะนั้นความรู้ที่เป็นทิฏฐิเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นไม่มีเหตุผลเลยบางทีนะทิฏฐิเนี่ยเวลาไปเชื่อปุ๊บมันไม่ได้คิดเรื่องเหตุผลอะไรละ เป็นความเห็นของตนเองเบ็เสร็จเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลจนถึงขั้นมีเหตุผลบ้างและก็มีมีเหตุผลมากเมื่อใดทิฐินั้นพัฒนาขึ้นไปจะเป็นความรู้นั้นพัฒนาเกินความเห็นไปเลยนะไปเป็นความรู้ปุ๊บความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงปุ๊บก็คือตรงสภาวะก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฐิแล้วก็จัดเป็นปัญญาเมื่อปัญญานั้นเจริญงอกงามเห็นสภาวะนั้น ด้วยตนเองอย่างชัดแจ้งสมบูรณ์ปุ๊บแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องยึดถือความรู้นั่นเป็นของตนเลยอันนี้พัฒนาเรียบร้อยแล้วแปลว่ามันพัฒนาจากทิฏฐิเข้าสู่ปัญญาเพราะความจริงแท้มันดําลงอยู่เป็นกลางๆไม่ต้องไปไม่ต้องมีที่อ้างที่ยันแล้วเป็นอันเลยพื้นฐานของทิฏฐิไปเองแต่เพราะทิฏฐิมันพ่วงอยู่กับความยึดถือเป็นตัวตนเนี่ยทิฏฐิจึงมักก่อให้เกิดผลเสียถ้ายึดถือแบบเหนียวแน่น ก็จะเป็นทิฏฐิที่ใกล้เคียงความจริงอย่างมากแต่ก็กลายเป็นเครื่องปิดปิดขวางปิดกั้นด้วยไม่้เข้าถึงความจริงนั้นๆเออนี่ก็ต้องเข้าใจดีนะว่พอแยกออกไหมพออ่านตรงนี้มาแยกไหมออกไหมยังไม่ออกใช่ไหมยกตัวอย่างไห ม, มคก็ อ, อย่างนี้อันดับแรกมาสักครู่พูดถึงในเรื่องของศรัท ธ, ธาทิฏฐิ ลักษณะของศรัทธาก็คือว่ามอบความไว้วางใจในความรู้ของคนอื่นพอมอบปุ๊บมันก็ยอมยอมไปตามปัญญาของเขามันแล่นออกหรือพุ่งไปหาถ้าเราเอาความเชื่อของเราไปฝากไว้กับปัญญาของอื่นมันก็แล่นไปแล้วก็มอบความไว้วางใจในปัญญาของบุคคลอื่นมันแล่นไปในลักษณะนี้อันนี้เป็นศรัทธาทีนี้พอฟังข้อมูลใดๆเบเสร็จปุ๊บแล้วเราเกิดความพอเข้าใจในความรู้หรือข้อมูลนั้นเบเสร็จ แล้วก็ไปยึดถือว่ามันเป็นความรู้ของเราเรียบร้อยไปแล้วนี่กลายเป็นทิฏฐิีกลายเป็นทิฏฐิใช่ไเออตรงนี้ไอความรู้ที่เป็นทิฏฐิเนี่ยบางทีมันเริ่มจากการที่ว่ามันยังไม่ต้องมีเหตุผลเรามันเชื่อมันมันันยึดถือแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องไปแยกแยกเหตุผลแล้วพัฒนาไปหน่อยมันเริ่มมีเหตุผลนิดๆนะครับมีจนมีเหตุผลมากเนี่ยนะ เกิดความทีนี้มันพัฒนาไปว่าเมื่อใดที่ถี่นั้นพัฒนาไปจนถึงขั้นเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงปุ๊บหรือตรงตามสภาวะมันเรียกว่าเป็นสมาธิจิในพัฒนาไปแล้วและจัดเป็นปัญญาเมื่อปัญญานั้นเจริญขึ้นจนมองเห็นสภาวะนั้นด้วยตนเองอย่างชัดแจ้งสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องยึดถือความรู้นั้นเป็นของตนและความจริงแท้ดํารงอยู่อย่างเป็นกลางๆไม่ต้อง มีที่อ้างอิงหรืออ้างยันแล้วมันเลยพ้นจากทิฏฐิไปเองแต่ลักษณะอย่างนี้แปลว่ามันสามารถที่จะพัฒนาปัญญาไปถึงสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่รู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องมันจะไม่ยึดถือด้วยว่าไอ้ความเห็นคิดเห็นนั่นเป็นตัวเป็นตนมันเห็ น, เ ป, นเป็นสภาวธรรมว่าไอ้ปัญญานี่เข้าไปรู้ไปเข้าใจสิ่งใดๆทั้งหลายเหล่านี้ปัญญาท่านก็เกิดดับสืบต่ออยู่แล้วแล้วก็ไม่ตามก็เอาความเห็นไปยึดถือว่าปัญญาเป็นของเราเราคือปัญญานั้นไม่ได้ไปยึดถือเลย ก็มีกระบวนการอย่างการที่จะรับรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามที่มันเป็นไปเรื่อยๆ ๆ, ๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตรวจสอบชําระสะสามไม่ให้ทิฐิเข้าไปยึดถือความรู้นั้นว่าเป็นของเราพราไอ้ความรู้นั่นก็เป็นสภาวัธรรมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยยังไงมันมีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ, ๆเหล่านั้นได้อย่างชัดแจ้งเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่เป็นนี้พอมองเห็นนะอย่างพัฒนาสุงปัญญัยจนโมหะในความหลงความไม่รู้นี่เป็นไวยพจน์ของอวิชชาก็หมายถึงความไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่รู้ตรงตามสภาวะมันภาวะที่ตรงคันข้างกับปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่เรียกชื่อวิชาพูดอย่างสามานว่าโมหะเรื่องวิชาเนะี่ยคือความไม่รู้เนี่ยเป็นภาวะพื้นเดิมของคนที่จะต้องกาจัดให้หมดไปด้วยวิชากาจัดด้วยปัญญาเนี่ยการเจริญปัญญามันจะมากาจัดตรงนี้มาทำลายความโมหะความไม่รู้นี่แหละ แม้บุคคลจะเล่าเรียนศิลปะวิทยาต่างๆอย่างมากมายใช้ศิลปวิทย า, านั้นกิจกรรมต่างๆมาประกอบได้อย่างมากมายแต่ถ้าไม่ช่วยให้เขาเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่มองเห็นสังขารและธรรมทั้งหลายหรือโลกและชีวิตตามสภาวะของมันแล้วศิลปวิทยานั้นนเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สุตตะเท่านั้นนะเป็นเพียงแค่สุตตะข้อมูลนี้เพราะมันไม่ได้ช่วยให้เรามองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงมั น, น่ะ สุดตาหรือข้อมูลที่เราเก็บมาทั้งหมดมันก็คือสุดตาใช่ไหมล่ะมันไม่เกิดปัญญาเลยเลยเฉผอบางครั้งเป็นขยะใช่ไหมล่ะมันยิ่งหลงโลกมากขึ้นเลยถ้าเรายิ่งรู้อะไรมากๆๆๆมากขึ้นมาพูดอะไรก็รู้เจาะ อ, อะไรก็เข้าใจทั้งหลายเหล่านี้มันก็เล่าได้อธิบายได้ทั้งหลายแต่พวกนี้ยังมีโลกกฎหลงเยอะแยะหมดเลยนะครับนะครัความเห็นแก่ตัวอะไรต่างเยอะแยะหมดเป็นได้แค่สุดตา มันไม่สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานชีวิตได้อย่างสุดเด็ดบางทีก็แก้แต่มันกลายเป็นการก่อปัญหาใหม่เหมือนคนต้องการแสงสว่างแสวงหารวบรวมฟืนและเชื้อไฟชีวิตต่างๆมามากมายรวบรวมได้เท่าไหร่ปฏิบัติอย่างไรต่อฟืนและเชื้อเพลิงเหล่านั้นมันตกแต่งประดับประดาประดิดประดอยอย่างไรตราบใดที่ยังไม่ได้จุดไฟขึ้นมันก็ไม่สามารถให้แสงสว่างได้มันก็ไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรมันก็ได้แต่รวบรวมสิ่งต่า ง, างๆมาแค่นี้เนี่ย ฉั้นข้อมูลฉันสุดตาต้องระวังนะอย่างหนูนไปเรียนที่มชัวไปเรียนเนี่ยทิมได้แค่สุดตามามันก็ไม่สามารถมาใช้กับชีวิตจริงๆได้เลยมองอนะนั้นต้องเราต้องฝึกต่อคิดต่อวิจัยต่อไหมจากข้อมูลแค่ตรงนั้นไม่พอต้องมาวิจัยต่อศึกษาต่อยืวิตต์งาน ต, ตรงนี้เอาเอาปัญญาที่จบไปเลย เออความรู้ที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในสังขารขันเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เกิดให้มีขึ้นต้องฝึกต้องปรือต้องเจริญต้องเพิ่มพูนเป็นไปตามลาดับปัญญามีหลายระดับเนาะเรียกไปตามความเจริญของปัญญาต่างๆตามชนิดต่างๆได้ศึกษาค้นคว้าบางทีเขาเรียกปริญญาบางญาณะัางวิชาบ้างอัญญาบ้างอภิญญาบัาง้งพุทธิโพธิสัมโพธิเป็นต้นเหล่านี้เป็นชื่อของปัญญาทั้งนั้นเลย ตรงนี้ก็แยกกันสัญญาวิญญาณและปัญญามันต่างกันยังไงวิญญาณเป็นเป็นปริญนยยธรรมเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทําความรู้จักมันตามสภาวะของมันเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปต้องทําอะไรต่อมันนะเพราะถึงอย่างไรมันก็ทําหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นมันวิญญาณเราไม่ต้องตัวจิตเนี่ยสัญญาโดยทั่วไปเป็นเป็ น, ป, นปริเนยยธรรมนะคือเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ทําความรู้จักแต่สัญญามันเจือด้วยกิเลสเขาเรียกปั่ปัญจะสัญญา ไอ้สัญญาประเภทนี้มันกลายเป็นประหาแตปะธรรมเป็นธรรมที่ควรละด้วยเนี่เป็นธรรมที่ควรละเป็นสิ่งที่ควรละหรือกําจัดให้สิ้นไปส่วนสัญญาที่ช่วยส่งเสรมิมช่วยพัฒนาเช่นวิชาภากิจสัญญาหรือกุศลสัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นภาวีต่ปะธรรมเป็นธรรมที่ที่ควรเจริญส่วนปัญญานี่เป็นชัดเจนเป็นภาวีต่ประธรรมเป็นธรรมที่ควรฝึกอบรมทำให้เกิดทําให้มีขึ้นก็จะมองออกอย่า ง, างนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ พอเข้าใจยังม oh. ีอะไรถามไหมมีไม่มีมีหมีหมมีอะไรถามก็แยกให้ออกระหว่างวิญญาณสัญญาและกับปัญญาวิญญาณเป็นเป็นอะไรเป็นปริญญาธรรมหรือภาวะตาธรรมเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เราไม่ได้มีหน้าที่อะไร ในการที่จะไปเจริญเรามีหน้าที่ในการไปรู้จักมันไปทําความเข้าใจมันให้ชัดมันหมดหน้าที่เราแค่ตรงนั้นส่วนสัญญาเนี่ยเป็นทั้งเป็นเป็นปริญญาธรรมด้วยเป็นทั้งป harma ตบธรรมด้วยเป็นภาระตบธรรมด้วยเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ต้องรู้จักด้วยแต่ถ้าเป็นพวกปปัญญสัญญากิเลสสัญญาทั้งหลายเหล่านี้อกุศลสัญญาทั้งหลายเป็นป harma ตบธรรมเป็นธรรมที่ควรละส่วนถ้าเป็นวิชาภารกิยสัญญาหรือกุศลสัญญา หรือสัญญาที่เป็นไปกับปัญญาทั้งหลายนี่เป็นภาวีตปรธรรมเป็นนาที่ควรจเจริญส่วนปัญญานี่เป็นภาวีตประธรรมโดยส่วนเดียวควรจเจริญควรอบรมควรทําให้มหีเกิดขึ้นไปแยกแยะให้ออกเนาะเอาแรกสมควรีย่าเวลาขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตในการไปวิจัยแยกแยะขันห้นาอายตนะ